ยังไงไปบวชมาเลยไปบวชมาเลยบวชนานมปีนึนะปีนึงนะอ่ไปบวชที่ไหนที่แก่นคอยค่ะแก่นคอยเป็นสำนักสองหรือว่าเป็นเป็นสำนักสองครับอมีไม่ทีเยอะไหมยีม่สิบองค์ะ อ, ะะอะก็เยอะนะ น, นะค่ะแล้วมีพระด้วยเลยพระสันที่กว่า นอกจากไม่ทีแล้วมีพวกญาติโยมไปอยู่ไปมีด้วยฝึกเกี่ยวกับอสุพะเลยค่ะอ๋ออยู่กับศพผูยใหญ่อะไรอยาเอ๋อศพอะไรนะศศพค้ยใหญ่ที่เขาบริจาคสังคายอ๋อเขาเอาไปตั้งให้ดูนี่แหละก็เอาทำป่าช้ากันเองเลยค่ะมีประมาณร้อยก็ศพก็จะมีประมาณสี่สิบกว่าคือไม่ได้ไปฝังเลยรไม่ฝังวางไว้บนดินอย่างเงี้ยค่ะ เราจะแบบเปิดในโรงแล้วก็นั่งใหอให้ไปนั่งที่ข้างหน้าโรงเลยค่ะสอชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วก็ทั้งคืนค่ะแล้วก็ฝึกในถ้ำเอาไปทิ้งไว้ในถ้ำพิเดีอ ย, ยอะไราเงีแล้วเป็นยังไงดีไห ม, มการจะไปหมวชที่นั่นไม่มีมีขั้นตอนอะไรมากมายไหม ก็มีใบรับรองจากครอบครัวะค่ะว่าให้ให้ตร้าได้เราต้องไปอยู่ที่วัดก่อนด้วยป่ะแม่เดิมที่ไปผ่านกรรมฐานก่อนอแล้วก็ก็ได้บวชค่ะคนที่บวชนั้นส่วนใหญ่เคยไปที่วัดมาก่อนก็ถ้ า, ถ, าถ้าไม่ถ่านกรรมฐานเขาไม่ได้บวชตอนที่ไปดูศพครั้งแรกเป็นยังไงกลัวไหม กลัวเลยกลแล้วก็สักพักหนึ่งกลัวบาดมากกว่ากลัวบาดสักพักหนึ่งก็กลัวความกลัวกลัวที่เรามีสังขารแบบเนี้ไม่ไม่ชอบเกลียดแะ้วอีกหน่อยแล้วก็ต้องเป็นเหมือนเขาเราจะกลัวทําไมอะไรอย่างเงี้ก็พิจรารณาไปใหแล้วก็พอพอกลัวามากๆก็จะแบบหนีไปอยู่ที่คําบริการมมาค่ะเวลาเราได้ยินเสียงอะไรเดินหรือเสียงคล้อฝ่าลมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ความกลัวก็มีก็หนีไปที่คาบริกรรมอย่างยาวให้จิตมันรวมมันก็รวมง่ายเลยนะคะมันใช้ความกลัวเป็นอารมณ์เป็นตัวบังคับถ้ามันปลอดภัยแล้วมันจะไม่ยอมบริกรรมพอมันเกิดความกลัวขึ้นมามันก็เลยต้องบริกรรมถ้าไม่บริกรรมเดี๋ยวมันยิ่งกลัวใหญ่แล้วใคยไปนั่งคนเดียวล่ะคนเดียวค่ะ สองทุ่มถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนอ่ะคือศพแต่ละศพนี่เขาจะแยกวางไว้ไกลๆจากกันไหมเนีย่ยแยกกล้อมก็จะมีเป็นแบบมันกระท่อมอะค่ ะ, ะกระท่อมแล้วก็ก็จะมีศพอยู่ในโรงแล้วก็เปิดฝาโรงแล้วก็พระพิธีก็จะไปเคาะเคาะให้แบบมันปุกขึ้นมาฝึกจิตฝึกใจผู้ฝึกกรรมฐานในค่ําคืนาานี้อะ่างนี้นะคะ่ะ แล้วก็เหมือนอี่ธารมว่าคุณธรรมขั้นหนึ่งขั้นใดที่เป็นของพระเจ้าก็ขอให้ได้รับคุณธรรมขั้นนั้นมากๆในเืนนี้อะไรประมาณเนี้ย แ, แต่และกระท่อมได้อยู่ห่างไกลกัน ค, คือจะไม่เหมือนกับเหมือนกับอยู่คนเดียวอย่างงั้นเหรอยู่คนเดียวก็เหมืเป็นเขาแบบเนี้ยค่ะก็ อ, ะอยู่เป็นช่วงๆแล้วก็เป็นลานป่าช้าแล้วก็เป็นป่าช้าที่แบบสร้างใหม่มีอยู่สามโซนจะให้ไปตอนตอน ค, อคืนด้วย คนก็ฝึกเป็นเยอะค่ะร้อยร้อยกว่าคนบรรยายสอาทิตย์ก็จะเยอะมากก็จะแบ่งเป็นสามรอบเนี่ยสามรอบนั่งประมาณสองชั่วโมงใครจะไปซ้าทั้งคืนก็ได้ก็แบบเราแบบศพเขาเรียกดอกไม้สดดอบไม้แห้งแต่เขาเรียกด่านเก็บดอกไม้ผ้าละหันค่ะดอกไม้สดก็จะเป็นศพใหม่ศพเละๆศพมีหน่อยศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ยังมีกลิ่นไหมยังมีกลิ่นนะแล้วเราไปขั้นต้นใ้คขา้ไปดูศพ ส, บสบดหรือศพแห้งที่ที่เจอศพแห้งเกิดอุบัติเหตุแต่ว่ามันตอนที่นั่งอะระหว่างนั้นมันก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเข้าใจแบบเลยเข่ามันจะเป็นแบบ ถนนอะไรแล้วมีเด็กแรวนใช่ไหมอ้อจริงๆก็เป็นเสียงของครูให ญ, ญ่เราที่แบบประสบอบัติเหตุแต่เราไม่เชื่อว่าครูให ญ, ญ่อ่ะประสบอบัติเหตุก่อนแน่นี้มันก็ไม่เกิ ด, ดความกลัวเพราะว่าแต่ว่าตอนที่เขาเปิดโรงให้ดูก็กลัวเพราะเราเพราะเราไม่รู้ล่วงหน้าว่าเขาให้ไปฝึกกระสอบเขาจะไม่บอกก่อนค่ะ<อ>แทนที่จะไป ที่ศาลาไหว้พระสดเหมือนเขาใหว้ไปนั่งนั่งสมาธิเลยเรั่งดูศพเลยก็บรรลังหนึ่งบรรลังแรกก็คือแปดโมงถึงอ่อสิบเอ็ดโมงบรรลังสองก็คือประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองบรรลังสามประมาณสี่โมงเย็นถึงห้ามงย็นอะไรประมาณเนี้ยค่ะจนไม่ใช้ได้แล้วก็บรรลังที่สี่คือด่านเจ็ดดอกไม้พระทหานต้องผ่านบรรลังสามก่อนถ้าใครไม่ผ่านบรรลังสามเขาก็ไม่ให้ขึ้นไปบรรลังสี่ บัลลังก์หนึ่งสองสามนี่ส่วนมนตอยู่ที่ศาลาค่ะบัลลังก์หนึ่งก็คือนั่งสมาธิอยู่ที่ศาลาเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็นั่งหนึ่งชั่วโมงก็เป็นหนึ่งบรลลังก์ก็สองชั่วโมงที่ที่ศาลาหรือว่าที่ไหนเป็นเป็นลานค่ะเรียกลานธรรมยังไม่ได้ไปที่ป่าช้ายังค่ะบรลลังก์หนึ่งสองสามนี่ยังอยู่ที่ลานธรรมอยู่ะสลับนั่งสลับกันการเดินเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงค่ะแล้วก็พัก แล้วก็บันทังสองก็เดินช่วโมงนั่งชงั่วโมงบันทังสามก็เหมือนกันค่ะแล้วพอบันทังสี่ถึงจะให้ไปให้เข้ไปป่าชาอสองทุม่มถึงสี่ทุม่มสี่ทุม่มถึงเมื่อคืนเมื่อคืนถึงตีสองแล้วแต่รอบพี่เราจับฉลาบได้ค่ะพอะเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่พักเลยค่ะกลับมาที่พักแล้วมีคนคอย คอยดูเราหรือเปลไม่มีค่ะก็เอาไปทิ้งไว้แล้วก็พอครบสอชั่วโมงก็จะเดินไปรับมอบคาว่าสายโทรในระหว่างการที่นั่งเขาไม่ให้อารัณ น, นาพระไม่ให้ส่วนนวลไม่ให้แผ่ไมตตาห้ามเอาเครื่องรางของขังกไปด้วยห้ามเอาพาักเครื่องอะไรไปด้วยเพื่อที่แบบว่าเวลาเรากลัวเราจะไปพึ่งของพวกเนี้ยค่ะให้พึ่งให้คําบริการหน่่งเดียวอแล้วเขาก็บอกว่าไม่ให้ลืมตาไม่ให้ห้ามออกจากกดห้ามอามือจากออกจากการใครขายายรับ ก็คือให้ให้อยู่ในกฎบริกรรมอย่างเดยจนกว่าเสียงสายธูตที่เขามารับอะค่ะเขามีกดให้แล้วเข้าไปแน่นค่ะแล้วเขาเราดูดูศพรึเปล่าหรือไม่ต้องดูดค่ะดูก่อนให้ดูก่อนศพในอยู่ในโรงแต่เปิดเปิ ด, ปดปค่ะก็กระต๊อบหนึ่งเขาเรียกเป็นมอมอหนึ่งก็จะมีหลายศพค่ะก็มี ส, สักดิสิบห้าศพก็มีศพเด็กศพอะไรด้วยอย่างเี้ยมีทั้งหญิงทั้งชายค่ะ คนแก่คนมีหมดหยังยังเห็นเป็นรูปร่างอยู่เปล่า อ, อย่างช่วงตอนที่ปวดไปแล้วช่วงประมาณช่วงบ่ายแบบนี้ก็ต้องไปบำเพ็ญใ น, ในในป่าช้าคือไปทำความสะอาดในมอเพื่อที่แบบเช็ดนอนเช็ดอะไรเช็ดเหมือนไล่แมงวันเพื่อเตรียมไม้พู้ฝุดกลางคืนมาอีกรอบนึ่งเตรียมความสะอาดไว้คือเราไปไปกลางวันก่อนไปไปดูสถานที่ก่อน แต่ถ้าผู้ใหม่เขาไม่ให้เข้าไปค่ะแม่ไปดูเลยค่แต่<ห>ถ้าเป็นคนผ่านแล้วเข้าไปได้ใหม่ๆนี่เขาให้ไปแบบจะดๆเลยเลยแบบไม่ให้ไปเตรียมตัวตั้งหลักละอะไรคแล้วถ้าเจอเกลิ่นนี่ทนอยู่ได้นะต้องสูดเข้าไปคือแบสูดหายใจเข้าไปอย่างบางทีแบบเวลาฝ่าลงยุบไปก็ต้องไปคอยงัดต้องทําทุกอย่างเหมือนจับเลย<อ> <c oughs> ของแม่ชีแล้วเป็นงานจิตใจดีไหมแรกๆ ก, กลัวหลังๆมันไม่กลัวค่ะก็เฉยๆแล้วสงบไหมสงบค่ะก็รู้สึกว่าครั้งแรกที่ไปนั่งอ่ะเราคิดว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้อะไรไปแบบซื่อๆอพอไปเจอความมืดก็คิดว่าเออนี่ขนาดเรายังไม่ตายนะเรายังไปไหนไม่ได้เลยเพราะเรามีชาาั่จักระปุบาจาว่าจะไม่หนีการปฏิบัติ แต่ถ้าเกิดเราตายจริงๆเราอยู่ในความมืดแบบนี้เราไม่มีแสงสว่างแห่งบุญที่จะนำพาเราไปสู่ภพภูมิที่เราก็ต้องคอยอยู่ในที่มืดแบบเนี้ยอะไรเงี้ยมันก็คิดคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยมันก็กลัวกลัวความกลัวบาปอะค่ะกลัวบาปที่สุดเออถ้าเรากลัวบาปเราต้องรีบเร่งภาวนาละอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันปอบใจตัวเองค่ะแล้วเป็นไงข้างหแรกที่เราไปนั่งก็เห็นเหแสงแบบเนี้ยค่ะ เขามีแสงไฟในในกระท<ช>่อมค่ะ<ช>แล้วเขา้าใจว่าพระพี่เลี้ยงมาส่องไฟฉายตรงหน้าลูกครูใหญ่หน้าลูกศพแต่เอ๊ไฟฉายทําไมแสงมันเข้าตาเราคิดว่าพยธีกาณครูใหญ่หรือเลปล่าเนี่ยแล้วก็หลับตาปีในแสงก็ทะลุเข้าตาอันนี้ค่ะก็เลยตอนนี้นก็เลยไม่รู้ว่าแสงอะไรแต่ว่าครูบาอาจารย์บอกว่าเป็นแสงคุณธรรม เือพอไปนั่งก็หลับตาเลยไม่ไม่เล็งไม่เล็งดูเลยไม่หลับก็มืดค่ะอมองไม่เห็นเลยยิ่งถ้าในถ้ำนี่ทรมาร์ทกว่านั่งกระสบค่ะเขาทิ้งไว้ตั้งแต่หกโมงเย็นจนหนึ่งหกโมเช้าคนเดียวเอนเป็นโพรงถ้าแบบเนี้คแล้วก็ไปปักกดข้างในในปากเขาใหญ่ออันนั้นคือเอาความตายเข้าสู้เลยค่ะเหมือนว่าเราต้องเจอสัตว์อะไรเจออะไรมันยิ่งกว่าแบบ สิ่งที่เราไม่เห็นยิ่งกว่าผีอะไรอย่างเงี้ยถ้าปวดเท้าฉีนีลุกขึ้นมาฉีได้ปะก็ถ้าถ้าไม่ไหวก็ต้องะแต่ว่าวันนั้นโยมไม่ปวดเลยค่ะแล้วพอออกมาอยู่โลกข้างนอกแบบเนี้ยโลกภายนอกแบบเนี้ยเราคิดว่าอย่างสมมติถ้าเราจะไปเช่าอพาร์ตเมนต์เฮ้ทําไมเราต้องเอาห้องแอร์ตอนอยู่ไหนถ้าเราไม่เห็นต้องพึ่งแอร์เลยมันไม่คิดเยอะหรอมันรู้สึกแบบ เนี่อยู่แบบอยู่แบบเรียบง่ายได้มันไม่ยึดติดกับลนหรือแอรหรืออะไรอย่างนี้ไม่ต้องรู้ล้าะไม่ต้องว่าใช่อาารการกินยมก็ไม่ยึดติดเหมือนเมื่ก่อนอะไรก็ได้ที่มันอิ่มเขาให้กินยังไงอที่นู่นนะคะก็จะช้มือเดียวก็ได้สองมือก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องต้องเร็วอ่ะ ต้องเร็วคือหมายถึงว่าเหมือนโยมได้ได้ไปสวดน้ำกล่าวน้ำอะไรก็ต้องตักเร็วคนหนึ่งก็จะได้ฉันอีกเดียวทุกวันก็มีเวลากําหนดให้ฉันให้รับประทานเนี่ยรับประทานแบบใส่จานใส่อะไรหรือเปล่าแล้วว่าใส่จานเป็นถาดหลุมมาก็ที่โยมมาถวายแล้วก็พักอินทบาทมาอเขาไม่บังคับให้คุยกันใ่ไหมคะไม่ค่ะไม่กินตามสบายจะมีกําหนดเวลาให้กิน พอถึงเวลาปั๊บก็ต้องหยุดนะมือเดียวก็ได้สองมือก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเราบำเพ็ญเยอะก็ต้องสองมือสองมือค่อเพราะว่าต้องไปขุดต้นไผ่ต้นกล้วยมันทำสร้างวัดกันเ อ, องเนี่ยออไปช่วยงานด้วยน ะ, ะงานบำเพ็ญเยอะด้วยอนอกจากการเดินโยมนั่งสมาธิแล้วก็ยังมีงานขุดดินค่ะสร้างโรงนอนอะไรเนี่ยต้องขุดหลุมกันเองหมดไม่ได้จา้าง อวัดนี้นอยู่ตรงไหนนะสำนดักสองนี่อาณาลิชาค่ะแก่งคอยตรงข้างกับวัดป่าสว่างบุทางไปสระบุรียะ่ะที่ว่า อ, อไนะแยกบ้านนาแล้วก็สาขาใยู่พิจิตค่ะของพระอาจารย์สายฝพอาจารย์อะไร น, นะพระอาจารย์สายฝบานิโตสาย อ, อันนั้นจะจะฝึกหนักกว่าคือต้องไปจับมือกระสอบเลยแล้วก็เอาผูกติดกันสามชั่วโมง <gas mt. ka> คือแบบเ pues ป็นปลาร้า <g> ย <teachers> ังไงก็อย่างนั้นเลยอะเลยจะมีด่านช้างด่านช้างคือเราไปอยู่กับป่าประมาณหนึ่งอาทิตย์นั่งนั่บริกรรมจนกว่าช้างจะมาสัมผัสเราแล้วก็ด่านด่านงูนี่คือนั่งอยู่อยู่ในในกกงอะค่ะแล้วก็เทงงใส่แล้วก็บริกรรมแทงงูใส่จริงจริงก็ ฝึกเอาเนี่เยเอาความตายเข้าสู้ตอนโยมนั่งในถา้าโยมคิดอย่างเดียะตายมันอยู่ในกรรมฐานนี่แหละฉัเจยไปสู่พรภูมิี <c oughs> คือมันคือทุกคนบอกว่าถ้เกิดไปนั่งในถ้ำแล้วสามารถเอนได้หลับได้หรือออกมาอะไรได้แต่โยมไม่กล้าแค่พียงโยมก็ยังแบบเฮ้ยจะไปเจองูหรือเปล่าคือต้องนั่งนิ่งอย่างเงี้ยนะไม่มีอาสนะด้วยรู้สึกแบบเฮ้ยสังขารนี่มัน มันทุกนเนี่ยแบบพาไปมาเอาดีมันไม่ได้ร่วมมือกับเราเลยแต่เราแบบโอ้ยอยากกินเอ็มเคอยากกินอะไรพาไม่กินอยากสวยอย่างงามซื้อเครื่องสาอางแพงๆมาทาให้ใหม่แต่พามาเอาบุณมันทำไมไม่ร่วมมือกับเราเลยยมคิดอย่างนี้เนี่ยบ่นบ่นกับตัวเองอย่างนี้ทำแล้วยมก็คิดอย่างนี้อ่ะแล้วมันก็มันก็สนุกดีแล้วมันก็ช่วยทําให้เรานั่งสมาธิดได้ดีใช่ไห ม, มก็คือพอพอจิตมันหลุด ฟร้งซ่านมันก็จะเกิดเวทนาเยอะก็ต้องรีบมาบริการใหม่เพราะบริการแระจิตมันรวมมันก็จะไม่ได้สุกในเวทนามันจะมีช่วงเข้าบัญชาที่จะมีการฝึกสมถาะาธิ12ชั่วโมงนี่คือไม่ได้นั่งในท่านคือคือหนึ่งนาทีเดินหนึ่งนาทีให้ให้หยุดพร้อมนาฬิกาปลุกที่เราตั้งไว้หนึ่งนาทีนั่งหนึ่งนาทีต้องลืมตาให้พร้อมกับนาฬิกาที่เราตั้งไว้หนึ่งนาที เพิ่มในฝั่งอาทิตย์สอาทิตย์ไปเรื่อยจนครบหนึ่งชั่วโมงอคือฝึกให้ปิดระจาแล้วก็อพอครบหนึ่งชั่วโมงทุกทุกวันอาทิตย์จะสอบสามชั่วโมงไม่นั่งในกฎก็ต้องต่อสู้กับยุงกับลิ้นไรอะไรอย่างนี้ออืแล้วก็อาทิตย์ต่อไปเป็นหกชั่วโมงเก้า<อ>ชั่วโมงจนสิบสองชั่วโมงแต่ถ้าเป็นพระยี่สี่ชั่วโมงนั่งสิบโมงช้าวันนี้ถึงสิบก็คืออธิษฐาน<อ>ให้จิต ด, ดับอะค่ะอธิษฐานให้จิตดับ บางคนนีจจิตดับบางหน้านีิจิดตจดตับก็นิ่งเหมือนหุ่นขี่พึ่งแต่ถ้าจิตไม่ดับมันเกิดเวทานาอย่างโยบัสไสยที่แบบนึกถึงตอนเราไปงานบำเพ็ญขุดกล้วยขุดไผ่หรือปลูกน้องุนนี่นั่นที่ช่วยสร้างวัดมันรู้สึกจะเย็นไปตรงที่เราเกิดเวทานาอเออมันก็แปลกนะเกิดคิดว่าอ๋อถ้าถ้าเรานึกถึงบุญที่เราทํามาเนี่แต่ความดีอะไรเนี่ยมันก็ทําให้จใจเราเย็นได้ใช่ค่ะไม่ร้อนกับความเจ็บของร่างกาย แล้วรู้สึกอยากตายเร็วๆค่ะไม่อยากไม่อยากอยู่อ่ะใช่ก็คือแบบว่าทำไมมันมันเออยินดีที่จะตายแล้วไม่กลัวตายไม่กลัวกลัวแก่มากกว่าอ่แต่ไม่ได้คิดฆ่าตัวตายไม่อะถ้าถ้าจะตายก็ไม่เสียดายใช่ค่ะไม่ทุกข์กับมันไม่ทุกข์ค่ะรู้สึแบบว่าเมื่อไหร่มันจะหมดเวลาสักทีเอ่าก็ต้องมาเหมือนเป็นภาตุของสังคารทุกอย่นี้อ่าเป็นพาล่แบกมันนะใช่ สังขารเป็นพราษฎร์หนักอย่างยิ่งมากค่ะเหี้ยก็ต้องพามันไปนข่ายกินปวดเข้าห้องน้ำปวดอะไรเหมือนเหมืนอนยิ่งกว่าเลี้ยงแมวมอ่ีนกนะนี่ก็มันก็เป็นเหมือนหมาตัวหนึ่งร่างกายแต่เรารักมันยิ่งกว่ารักตัวเราเองใช่ก่อนไม่ก่อนไม่ไม่เพ่งอชุภรสหรือว่าไม่ไปฝึกกระสอบไม่ได้คิดอะไรเองอยากสวยอเออไม่อยากบอก สิ่งแต่ไม่อยากเหียงอยากสวยอออะไรเนงะี้ยสิ่งห้า ก, ก็ได้อะไอะไรงี้ใช่ไหมคะแต่พอไปอยู่ในวัดเนี่ยคือแบบเพื่อนเห็นว่าเว้ยทาไมโซมจังอบอกก็อยู่วัดไม่ต้องสวยก็ได้แล้วทําไมไม่อยู่ต่อก็อยากอยู่ต่อก็มีภรรยเลี้ยงยมแม่ค่ ะ, ะ, ะแต่ตั้งใจว่าจะไปอยู่ปีหนึ่งอะไม่ว่าฉันกตั้งใจพรรษาเดียวอะแต่ว่าอยู่ก่อนแล้วก็ปวดยาวเลย ออืไปอยู่ที่นั่นก็ไม่ต้องมีอะไรไม่มอก็ ม, มีที่พักให้อยู่เป็นที่พักอยู่แบบลําบากอะค่ะถ้าเกิดคนที่เคยไม่เคยลําบากไปอยู่ไม่ได้ออืหรือว่าถ้าเรายกระตั้งใจไปฝึกเอาความลําบากจริงๆอ่ะก็อยู่ได้อื ม, มันก็ต้องมีการต้องชนกับหลายๆเรื่องออืซึ่งหลายๆชีวิตไม่อยู่รวมกันเป้าหมายไม่เหมือนกันเพราะมันอยู่ก็อาจจะมีปัญหาตางกัน ไม่ว่าคนที่อยู่ประจําอยู่อยู่นานก็อยู่เช้วคาวก็ปฏิบัติเหมือนกันค่ะคืองานหลักก็คือบันทินศพอย่างเดียวก็คือเราศพที่เขามาบริตามแราต้องมาถึงเราต้องอาบน้ําอาบน้ ำ, นำต้องพาไปที่หมอตัอง้งที่เราเอาไปไว้มอไหนกว่าจะไปไว้หมอเราต้องไปขุดหลุมก่อนขุดหลุมเพื่อจะแับให้พอดีขนาดกาับโหลมแล้วก็ใส่ในลุมแล้วก็แบกไปไปแบบวางในหลุมอืมํททาทําทุกอย่าง อ๋อต้องต้องฝังนู่นเลค่ะฝังกต่ไม่กบดีเพาะไม่กบดีเปิดฝาให้เห็นแล้วคนจะได้ไปนั่งดูได้ก็เวลามีผู้ฝึกมาก็ไปนําขึ้นพักสมาธรรมกกรรมฐานก่อนค่ะแล้วก็ทิ้งไว้แล้วถึงเวลาก็ไปรับก็ไปขึ้นกรรมฐานในเขามีคนไปปฏิบัติทีเป็นน้อยเลยแค่สองอดีิตย์เ่างหานสองอือ มีทั้งหญิงมีทั้งชายค่ะเด็กเด็กได้ตาทิพย์กันหมดเลยแปกดีเหมือนกั น, นะคะ่ะเนีเป็น<ด>ยังไงตาทิพย์พอที่เขาได้ตาทิพย์เสร็จเขาจะแบบผูตาแล้วก็ไม่โชว์สมมติว่าแยกยมที่มาเขียนอะไรก็ได้อ<ล>เขาจะอ่านได้ เ, ดเขาก็จะแบบเอามาถูถูแล้วเขาก็แบบโชว์อันนี้เขาอ่านไว้อย่างเงี้ยเออโยก็รู้สึกแบบเออแตกดี อ, อต่เด็กส่วนมากจะได้แล้วเขาเน้นให้เราทําอะไรกับสิ่งที่เราปฏิบัติ ให้เร า, เ, าเกิดปัญญาเกิดสมาธิหรืออะไรหรืเปล่าปัญญาสมาธิค่ะอืสติสังขารที่สุดอ้วปัญญาให้ให้เห็นอะไรปัญญาที่ที่ยมได้ก็คือในเรื่องของสังขารของเราเนี่ว่ามันทุกยังไงที่ครูบาอาจารย์เขาสอนเขาเทศแต่ไอ้ทุกทุกประจํามาแต่เรายังไม่ลึกซึ้งกับคําที่เขาเทศอะไรอย่างเงี้ยพอเรามารู้สึกแลก็คืย อ๋ออันนี้ระมัดที่เขาว่าปัจจิตตังที่เราต้องรู้รู้ได้เฉพาะตนอะไรเงี้ยซึ่งมันเหมือนมันได้จากความรู้สึกของเราเองที่ไม่ได้ไปจาได้ใหม่หรือมาจากครบาอาาอเห็นกับตา<ช>ไม่ในใสิบ ป, ปากว่าสิบ ป, ปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นเหมือสุดก็ของจริงมันก็ก็มันก็เลยได้ได้เลยลตอนนี้ก็ไม่ค่อยกังวลกับเรื่องของร่างกายแล้วจะแก่จะเจ็บจะตายก็ ไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนพร้อมที่จะแก่พร้อมที่จะเจ็บค่ะพร้อมที่จะตายค่ะออแล้วยังอยากอยากลับไปปฏิบัติอีกไหมอยากค่ะอยากอือเราจได้ไปบ้างหรือเปล่าก็ไม่ได้ไปอ่ะอหลังจากที่อยู่ที่แก่งคอยย้ายไปอยู่สระบุรีเป็นแบบสถานที่สั ป, ปะยะมาก ทีแรกรู้สึกว่าเราเหน่อยมาจากที่เก่าพอมาอยู่วัดที่ใหม่ก็คือสบายมันมีบนสวรรค์เลยอยู่ไปอมามันมารู้สึกเหมือนเราแบบการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าแล้วเราอยู่ในที่สบายรู้สึกแบบเอ้ยทําไมเราต้องหนีมาทําไมอยากกลับไปอยู่ที่เดิมอ่ะมันรู้สึกแบบเราชนหลายอย่างเลยต้องมีที่ที่เป็นทุกข์มันถึงจะก้าวหน้าถ้ามันสบายแล้วมันจะขี้เกียจใช่ค่ะขี้เกียจปฏิบัติมาก แล้วก็ไม่มีอะไรคอยกระตุ้นสติคอยกระตุ้นปัญญาก็จะอยู่แบบเฉยๆเรื่อยๆเหมือนหาเใยทิ้งไปวันๆสบาย<ม>ทางกายนี่ไม่ดีสู้ทุกทางกายดีกว่าทุกทางกายแล้วทำให้ใจมันทื่สู้นะก็ยงคิดได้ตอนที่สอบสมถะศ12องชั่วโมงที่เราเกิดเวทนามันเหมือนเราซ้อมตาย เออถ้าเกิดเราคิดจิตมันคิดมันไหลไปคิดว่าเออเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นมะเร็งแล้วเราทรมานในสังขารถ้าจิตเราไปจดจ่อแต่ที่เราเจ็บปวดอ่ะมันก็มันก็ต้องทุกข์นั้นแต่ถ้าเกิดเราหนีความเจ็บปวดไปที่คำบ ร, ริกรรมอือเราซ้อมอยู่อย่างนี้อย่างนี้เราก็จะไม่ทรมานก่อนตายจิตตอนสุดท้ายเราก็ไปอยู่ภพภูมิที่ดีโยมก็คิดปลอบใจตัวเองอย่างเงี้ยเขาสอนให้ใช้คาบริกรรมเวลาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาค่ะก็เริ่มเต็มทีก็ พองหนอยุกหนอนั่งหนอถูกหนอืแต่ช่วงทวญยาสิบ้าวันก็จะเพิ่มเป็นสิบคำอะ่ะพองหนอยุกหนอนนั่งหนอถูกหนอถูกก้นซ้ายถูกก้นขวาข่าซ้ายเ ข, ข่าขวาตาตุงซ้ายตาตุงมขวาเขาเรียกว่าพิปิปัญญาญาสิบหกอ่มค่ะที่ที่โยมไปศึกษามาอแล้วพอจิตสงบก็อยู่กับความเจ็บได้ค่ะมันมันก็เจ็บพอเรารู้ว่าเจ็บถ้าเราจิตเราไปไปจดจ่อที่เจ็บมันก็เจ็บไม่หายอืม แต่โยมก็ใช้วิธีหนีมาทาบริกรรมนี้ค่ะแล้วต้องบริกรรมไปเรื่อยๆรื่ ย, รยว่าเฉพาะเวลาที่มันบริกรรมเรื่อยเรื่อยถ้าหยุดมันหยุดได้ไหมหยุดได้ค่ะจะจิตมันไหลมันฟุง้งอ๋อถ้าหยุดมันก็ยังพุ่งต่อค่ะยังไม่ถึงจุดที่ว่าไม่ต้องบริกรรมคถ้ามันมันเหมือนเราเข้าสู่พาวังอ่ะสู่พาวังแล้วมันจะเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั้นเหมือนเราฝันเราก็แบบเออไม่ใช่เราขำมาทำบริกรรมใหม่โยมก็คีดอย่างนี้ไงแต่ว่า ก็ได้แค่นั้นอ่ะอมยมก็อยากแบบก้าวหน้ากว่านั้นเพราะอะไรอกมันต้องไม่ต้องบริกรรมแนละ้วมันเฉยกับความเ่็บได้ยังไม่ถึงตรงนั้นอ่ะแต่ก่อนหน้านี้ที่ไม่ใช้คำบริกรรมยมใช้แบบอนาภิรติ ก, กมาาัมฐานมันมันจะเร็วกว่าดูลมหนใจมันมันจะนิ่งเร็วกว่าแล้วมันจะแบบดิ่งแล้วก็แบบตัวหายไปเลยแบบนั้นละคะ่ะ ตอนนั้นทำตัวหายเวทนาก็หายไปด้วยค่ะอืมันเราไม่มีเหลือแต่จิตอย่างเดียวสังขารไม่มีแล้วเลยรู้สึกม่าทำไมไม่มีสังขารมีความสุขอย่างนี้อย่างเงี้ยไม่เกิดเวทนาเลยอืมแต่ถ้าเวลาเกิดเวทนานี้ก็ต้องใช้คำบริกรรมค่ะจริงๆโยมจะใช้สองเลยพานากับคำบริกรรมบาง อนาเสร็จคำวิกรรมถ้าจิตยังไหวยังพคงมีเจ็บเลยนึกถึงพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าอะไรก็ได้สามอยอางให้มันนิ่งเลยแล้วมันนิ่งไหมนิ่ ง, งแล้วก็หยุดหยุ ด, ห ย, ดหยุดบริกรรมได้แล้วก็ไม่เจ็บปวดค่ะความเจ็บยังมีอยู่แต่ไม่ปวดมันมันยังรู้สึกนี่แต่ไม่ทรมานแสดงว่าจิตนิ่งเจ็ตปล่อยวาง เคยนั่งแล้วแบบรู้สึกว่าตัวเองลอยออกจากพื้นอทําไมเราลอยเราแน่นอย่านีแล้วหมูมันดับไม่ได้ในอะไรแล้ ว, ว, วก็พอออกจากสมาี่มาเฮ้ยทําไมเราไม่เคยนิสัยดีอย่างนี้มาก่อนเลยมันเบาเหมือนเบาเหมือนสัมฤทธิอ์อย่างเงีดพอมีความสงบมีความสุขมันก็มีความเมตตามีอะไรค่ะแล้วก็มันอยากได้อารมณ์เดิมมันก็ไม่ได้อก็ต้องทําใหม่ต้องอยู่ปัจจุบันค่ะ อารมณ์เดิมมันเป็นอดีตไปแล้วมันต้องมีสติทําใหม่แล้วตอนนี้อยู่บ้านยังทําอยู่บ้างเปล่าทำค่ ะ, อ, ะอยู่บ้านดูแลแม่ก็ทําได้ไหมคะแม่ตอนนี้ไม่อยู่ที่ต่างจังวัดนะก็ทํายามอธิบายหรือแนะนำให้โยมแม่ทําบ้างเมือ่อก่อนโยมแม่ก็จะแบบน้อยใจว่าลูกไม่อยู่กับแม่เนี่ยอยากตายป่วยนั้นป่วยนี้อยากตา ย, ย, ย, า ก, ตา ย, ยก็จะแบบว่า อยแม่ถ้าูแม่ตายอยู่แม่ก็บ่นให้ให้ให้ไม่ชีฟังไม่ได้แล้วนะออยู่ไม่ก็กลัวตายถ้าไม่กลัวตายอยู่แม่ต้องสวดมนตน์นั่นสมาธิอมอู่แม่จะได้แบบไม่ไม่ทุกข์ใจเยอะพยายามค่อยๆให้ดีแล้วนี่อืะแม่จะก็จะห่วงไปหมดมห่งทุกอย่างแล้วเราต้องดูแลแม่คนเดียวนะก็มีน้องชายแค่ตอนนี้น้องชายเขามีครอบครัว อก็เลยอาจจะต้องมีพาระทางครอบครัวพี่สาวก็มีครอบครัวแต่เราก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติได้ค่ะอยังนั่งสมาธิเองอะไรอยู่นั่งค่ะนั่งวิปัสสนาญาติหกรู้สึกแบบมันรวมเร็วต า, าก็จะแบบรู้สึกหดหนิดหรือมีอะไรมากระทบเราก็ใช้อานาก่อนอืมแล้วค่อยคืนวิปัสสนาอืม เดี๋ยวเรื่องเรื่องการอารมณ์มีบ้างไหมการารมณ์การอารมณ์ที่อถ้าเกิดเราเรานึกถึงว่าเขาเป็นศพหรืออะไรเนี่ยความรู้สึกแบบนี้มันก็จะหายไปมันดับได้ค่ะดับได้เวลาเห็น ใ, นใครใ น, น่ารักน่าชมก็คิดถึงศพเข้าอ่างนี้แหละมเมื่อก่อนเคยฟังคุณวายการเทศตอนนั้นยังไม่เลิกกับแฟนพอฟังแล้วก็มานั่งดูอ๋อที่เขาเทพที่ท่านเทศมา มันน่ารักหน้าหอมตรงไหนปากก็เหม็นห <sh> ัวก็เหม็นไม่เลยต้องหอมต้องดมก็ทุกวันงน่ารักตรงไหนเอ้ยมันก็เลยแบบทำมห้แบบเราเลือกกับแฟนได้ง่ายๆเลยแบบไม่ต้องทุกข์แบเฮ้ยเลิกซะทีสบายใจโอห็นสุภาพก็เลยเลือกได้นะเห็นความไม่สวยงามเห็นความเหม็นของร่างกายอต้องคอยดูแลสังขารเราไม่พอต้องดูแลสังขารเขาอีกอะไรเงี้ยเฮ้ยมันก็คิด ผ่าให้ขนไปได้เลยแล้วตอนนี้เลยไม่มีความรู้สึกอย่างนี้เฉนเฉยอยู่คนเดียวได้สบายมันบางทีอยากดิ้วว่ารมเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยสมมติว่าเราอยากร้องไห้อะมันดิ้วว่าลมไงให้มันก็ไม่ร้องมันไม่ร้องอะมันเฉยมันเฉยอตอนตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ทปฐยาครับอาจารย์ก็เลยจะมันจะชวนเขาไปประชุมอยู่แถวที่สวนครับอยู่ใกล้ๆเลยจะได้ไปเป็นหัวหน้าพาคนอื่นเขาปฏิบัติบ้างกันใคยไปดูยัง ว่าจะไปอยากเนคุณต่ อ, อยเดี๋ยวให้คุณต่อยเพาไปดูมีแม่ชีที่นนคนหนึ่งแล้วก็ไปถ้าอยู่ใกล้บ้านอยากจะไปไปปีกไม่เว่ก็ไปที่สวนก็ได้แต่ที่นั้นไม่มีศพนะเราจะหาศพมัน <c oughs> <c oughs> เอาแม่ไปขอขอร่วมกันตามอยู่ได้ใช่ใช่คุณต่อเอาแม่้ย <c oughs> ทำสุสานแดงทำแดนสุสานตั้งแดนหนึ่งเผื่อใครอยากจะฝึกเอจริงๆได้ผลมากมีประโยชน์มากนะเห็นสมนี่มันเห็นของจริงเห็นความจริงเห็นความแก่เจ็บตายอย่างชัดเจนเห็นอสุภะเห็นอสุพังอะไรต่างๆคือจะสวยจะงามยังไงสุดท้ายก็เป็นแบบนั้นมันมันก็ปัญญาปัญญาทางธรรมนี่ที่ที่โยมคิดว่า อามันเป็นเหตุผลของธรรมชาตินี่แหละที่เราต้องมองเจาะลึกเข้าไปเหมือนสมมุติเมื่อก่อนโยมจะไม่ชอบคนนี้ที่ไหนออฟฟิศทำไมเขาที่ใส่อย่า ง, างนี้ตอนตอนนั้นเรายังไม่มีทาำใช่ไหมล่ะพอเรามีทาำ อ, อา๋อพื้นฐานครอบครัวเขาคือมีปัญหาเป็นเด็กเก็บกดอะไรอย่างนี้เพราะเขามีอำนาจแต่ก็เลยเหมือนทำแบบนี้อ๋อพอเราเข้าใจเขาเราก็จะไม่รู้สึกแอนตี้หรือรังเกียจเขาอย่างเงี้ยค่ะใช่เข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติของเขา ตอนนี้เรายังไม่รู้ทํามาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ศึกษสารก็รู้สึกแบบต้องหาพวกที่เกียดคนนี้อะไอ <c oughs> แต่พอพอมาอีกระยะหนึ่งเราโอ๊ยเราแบบนี้เราต้องเข้าใจเขาอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างคนเขางกอ่ะแสดงว่าชีวิตตอนเด็กเขาจนมากลําบากมากหรือผิดนิสัยประยาร์แลต้องเข้าใจเขาเอ อ, อย่าไปว่าเขาเลยเวลาเขาไม่แชร์อะไรเออก็กลายเป็นแบบนี้ไปอมันก็ <c oughs> แค่ดีครับมันมีเหตุผลในชีวิตถ้าจิตมีธรรมะแล้วมันจะมองอะไรเป็นธรรมไปหมดจะไม่โกรธไม่เกลียดใครจะไม่นักใครมันมันรู้สึกบมันใจเย็นอ่ะใครจะด่าก็ว่าจะทุบจะตีเราเราก็มองเฮ้มความกลัวก็ไม่ค่อยมีมีอยู่คนเดียวได้อยู่ในที่มืดได้ได้เพราะเนี่ยไปฝึกมานี่ยแหละ ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นอย่างนี้ค่ะไปบวชกเปีนางนี้ได้ได้มาใช้ดีขึ้นเยอะค่ะต้องไปพิจิตค่ะแล้วครา้นี้ไปนะทางหนตอนนั้นอไปดูดวงเขาบอกเนี่ยหนูต้องไปฝึกกรรมฐานแล้วนะเนี่ยดวงจะดีขึ้นอธิษฐานจิตขอได้หนึ่งอย่างขอพร ด้วยความที่เราไม่รู้อยากเฮ้ยขอแคได้หนึ่งอย่างเนาะไหยได้งานเลยขอให้รวยก็ได้นี่ว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปก็ได้แต่ว่าหนูก็ฝึกทุกวันนะคะอะไรอย่างเงีไ้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบที่หนูนั่งนนมันเป็นมีปรัชนาจาบอกอ๋อเราเคยแค่ยานแปกนี่อะไรเราก็คิดหลงตัวเองอะไรอย่างเงี้ว่าเราเก่งแล้วอะไรเง <c oughs> ี้ยก็ไป <c oughs> เขาไม่ได้บอกเขาว่าฝึกกระสอบก็ไปอ <c oughs> ไ, ไปแล้วก็แบบถ้าบอกก่อนคนจะกลัวแล้วก็จะไม่ไปอื <c oughs> แต่เราไม่รู้แล้วเราไปเราได้ไปหล่นมากกว่าในเวลาก็ให้ไปนั่งในเ้าก็ไม่บอกให้ไม่ไม่เลยบอกว่าไปนั่งหน้าสมุดเขาบอกว่าอ้าวใครผ่านบัลังสามยกมือขึ้นต่อไปเราจะขึ้นบัลังสี่เราจะไปนั่งในป่าซาโลลี่เราจะเข้าใจก็นั่งกันเยอะเยอะค่ะที่มันนั่งเยอะๆแบบนี้ไม่น่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยพอจับฉลากอ้าวไปเดี่ยวทั้งหมดเลยถ่เที่ยวเลยแล้ก็อยู่คนละหมอคนละที่คนละโซ่อะไรอย่างเงี้ย แล้วต้องไปตอนกลางคืนด้วยค่ะบาังสี่กันงคืนหมดเลยสองทุ่มขึ้นไปค่ะอสองทุ่มกับสี่ทุ่มค่ะสี่ทุ่มหนึ่งคืนเนี่งคืนหนู่งตีสองอค่ะแล้วช่วงถ้ายังไม่ได้ไปเขาให้นั่งสมาธิอยู่ที่ลานทําก่อนนะค่ ะ, คะก็สมายินเสร็จแล้วก็รอคิวก็จะมีแบบ ป้าอ่ะว่าจาับฉลากได้มสิบ ส, สามก็จะของไว้มสิบ ส, สี่ม อ, อะไรอย่างเงี้ยค่ะอแล้วก็จะมีชื่อครูด้วยตอนนั้นไม่รู้เรื่องเรกทำไมมีชื่อครูอะไรอย่างเงี้ไม่รู้เรื่องอจนไปถึงที่ป่าช้าถิงรู้ พ, พ, พี่เพื่อนก็ถามว่ากลัวไหมเก็บอกกลัวค่ะกลัวใช่ไหมเขาก็เปิดลงให้ดูแล้วที่ไปมันมีไฟแล้วใช้ไฟฉา <c oughs> ไม่มีไม่ได้มีอะไรเลยแล้วเขาเปิดลงเราดูวใช่ใช้ไฟฉาดูแล้วใช้ไฟฉาดูได้เปล่า ก็เขาส่องให้ดู้วก็สวัสดีครับคุณยายเก็แบบเป็นโครงกระดูกมีเนื้อมีเสื้อผ้าที่ยังติดอยู่ก็จะมีบางศพที่เขาฉีดอมาดรีนแต่หลังมาครบาอาจารยบไม่ให้ฉีดใครพิจะส่าศพบริจาคไม่ให้ฉีดถ้าฉีดมันจะไม่เปื่อยนะค่ะือตอนที่ไปบาเพ็ญอยู่ในป่าช้าช่วงนึงเจอแต่ศพแบบเละๆแล้วช่วงหน้าฝนด้วยอย่างเงี้ย ต้องคอยไปเช็คหนอนไปรักษาลมเวลาฝามันร่วงลงไปลูกกระดาษก็ทะเลนมาถ้าเมื่อก่อนจะกลัวมากแต่พอเราไปทำเองมันก็อาวธรรมดาทั่วไปเราเปิดเหมือนแพทย์ฉันจะสูดสบในนะแต่หลายๆกิ่นก็อาจจะแบบไม่ไหวอะค่ะแต่ต้องสูดเข้าเลยกๆสูอปิดใจเข้าเลยวกาหอม มันจะได้ไม่ต่อต้านเนี่ย่ค่มันเข้ามันสวยเข้าไปแต่ว่าเขาเหม็นและตัวเราก็เหม็นอะไรเงี้ยค่ะเมื่อกี้แล้วต่อไปมันก็ชินค่ะก็เฉยเฉยแต่ตอนเรานั่งเราเราเราจะนั่งรู้สึกว่าตัวเราเหม็นเราปูใหญ่ถ้าเกิดเราไม่เจอดอกไม้สซนนะคะเจอบานดอกไม้แห้งรู้สึกกินตัวเราเหม็นเนี่ยฉีดน้ำหอมไงมันรู้สึกพอจิตมันิ่งมากมัน มันจอะกิน่นเราด้วยว่าเราเหม็นจริงๆนะแต่กินน้ําหอมมันก็แยกต่างหากนะคะกลิน <ๆ S 1> สังขายจะแยกต่างเออจริงๆเราก็เหม็นนะอะไรเงี้ยใครว่าเร า, าหอมคุยใหญ่เหม็นเหรอเราก็เหม็นเหม็นมากกว่าอีกตอนเรานั่งเรายังไม่ค่อยได้กลิ่นคุใหญ่เงี้ยได้กลิ่นตัวเองอมันก็นั่งแยกนั่งพุงนั่งไหลนะ่เดี๋ยวแรกๆก <ๆๆ S 1> ็ๆๆพันหน่อยยุบหน่อยพันหน่อกลัวค่ะ คาวิคำสุดเลยแล้วเขามีลักษณะที่ไกลกว่า น, นี้ไหมมีมังกรายมางกรายมงกายนี่คื อ, อยืนเดินนั่งนอนอยู่ในปา่าช้าเลยคนเดียวถึงเวลาจะมีคนไปส่งข้าวให้้วให้มังยังไงก็ฝึกเขาเรียกอะไรนะยีนักขาเลยอ่ะเขาเรียกอะไระข า, ข า, รราท่สอ ง, อ, สส อ, งอ่ะการ3าสอการขาท่สองอ <32 S 2> ใช่ค่ะให้ท่อง กกัับไปผมคนเล่นฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกใช้เป็นภาษาบาลีและใช้เป็นภาษาบาลีเราจะเข้าใจคําคําหมายได้บ้าเวลาอันนี้โยมยังไม่ได้ไปฝึกไม่ได้ฝึกอยด่านช้างนี้น่าจะจะหนักหนักตรงนี้ว่าคือไม่ได้นั่งอยู่ในโกด์นั่งอยู่ในป่าแล้วให้ช้างคือพอช้างจะออกมาสัมผัสตัวเราออืช้างจริงนะว่าช้างงจที่ที่ปิดลิวที่ฉัน มีช้างจะมาหาเลยค่ะชางป่าเขาจะมาทำมาไป่นโขงเลยแล้วมีใครเคยตายไหมไม่มีไม่เคยคหรอเพช้างป่านตรายมากครับอาจารย์ไม่เหมือนช้างน้อยนะช้างป่านยิ่งงูมันจะมีแบบเขาเรียกกระต่ายหางยาวกระต่ายขายเดียวกระต่ายหางยาวคือนั่งกระูกระต่ายขายเดียวก็คือนั่งแล้ให้ยุงมากัดให้ทนอ่ะเป็นตองช้ยงู ห้ามกระดุกระดิใครกระดุกระดิ๊สมาทานต่อสามรษาอะไรอย่างเงี้ยค่สิบสองชั่วโมงอะไรก็ตามเราจะมีสมาทานห้าพรรษาท่านกระดุกระดิ๊กระดุกกระดิ๊ก็คือยกธงขาวคืออยู่ต่อห้ามสืกอะไรอย่างเงี้ยก็สิบสองชั่วโมงรู้สึกว่ามันมันทรมานกว่านั่งท่ามอะนั่งท่ามมันยังกระดุกระดิหรือขยับอะไรได้แต่พอที่ อสอบสิบสองชั่วโมงนี้ห้ามกระดุกกระดิกอะ่ะคือเราต้องนิ่งอ่ะนิ่งจะเจ็บจะปวดยังไงน้ำตาไหลยังไงก็ห้ามปาดอืค่ะก็ต้องอย่างนั้นสิบสองชั่วโมงตั้งแต่สี่โมงเย็นถีสแล้วมีคนเขาเจ็บไข้ได้ปวดเนือตายจากการปฏิบัติไม่ใช่ไม่มีนะทุกคนเอาความตายเขาคือก็คือมีน้อยอน้อยนียคือเหมือนลุกออกมาเองนแล้วทุกคนที่ไปปฏิบัติก็ ก็มีความสุขหลังจากที่ได้ผ่านมาแล้วค่ะรู้สึกแบบเฮ้เราก็ทำได้นะใช่ไหมชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปเคยหลงฟุ้งเฟรออะไรก็อยู่แบบเรียบง่ายสมถะมากน้อยสังดย ไม่แคร์ไม่สนใจใครเราแบบอ่ยแต่งตัวไม่สวยเลยหรือก็ไม่ซ้มหรือทําไมใส่เสื้อผ้าเก่าอะไรเงี้ยไม่สนใจจะมอนให้เครจะว่าเราไหมเนี่ยบุคลิกแบบนี้อย่างนี้อยู่ในสังคมน่ะเราก็แบบคิดเยอะอะเราไม่สนใจผมนีนก็ยังยังตัดอยู่ไม่ได้ไม่ไว้ละไว้สั้นๆดีกว่านะรู้สึกไหมไม่เป็นภาระค่ะสบายนะะอาบน้ำก็สะผมได้ค่ะไม่ต้องคอยมาหวี ปีก็ไม่ต้องซือแพรโค้ก็ไม่ต้องใส่สบู่ก็ได้ต้องแชมพูก็ได้ใช่ ส, สบู่เนี่นะยแหละง่ายที่สุดพระก็ใช้สบู่ก้อนเดียวเนี่ยถูแรงตลศีรษะลงไปถึงเท้าเลยขออนุญาตนิดหนึ่งครับอาจารย์มีข้อมูลมาจากทางแฟนเพจได้เฟซบุ๊ว่ามีคนเคยตายด้วยก่อนจากการปฏิบัติ มีเนี่ยอาจจะเขาบอกมาก็อาจจะมีบ้างที่ไหนไม่ยู้ที่เนี่ยแล้เชาไม่มีไม่มีบริชาเป็นวัดใหม่อ๋อแต่ว่าอาจจะแบบเขาที่สาขาใหม่นะคะเก่าเขาเลยว่าคก็อาจจะตายตายตกคอค่ะอ๋อแล้วไม่ได้ตายจากการปฏิบัติหนีปฏิบัติแล้วมาตกคออ่อใช่ไม่หรอกคืออาจจะตายเพราะไม่สบายเลยถึงคราวอะไรอย่างนี้ แต่เรื่องเรื่องตายจากการปฏิบัติไม่มีนะมีแต่กิเลสตายใช่ไหมขวานันหมีหมีลงคลองก็มีแล้วคนที่ไปปฏิบัตินี่อายุมากน้อยต่างกันมียัเออก็เด็กสี่ขวบเด็กสี่ขวบก็ไปปฏิบัติแล้วนะ่าจนถึงแบบแปดสิบสี่ขวบนี่ต้องมีพ่อแม่พาไปเล แลให้ปฏิบัติเหมือนกันะนะคให้ไม่ น, น, น, นั่งคนเดียวเ น, นี่ยอย่างเด็กๆนี่ก็จะเป็นมอมอไม่น่าที่เขาแบบเหมือนสร้างขึ้นมาแล้วก็มีมีหุ่นมีอะไรมีสร้างขึ้นมาเพื่ออ่า<ด>เป็นหุ่นไม่เป็นของจริงค่ ะ, อะอของเด็กก็ยังเป็นเหมือนดูไปดูหุ่นก่อนค่ะอืมแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่มีนะคะเ ป, เป็นแบบหลอกๆให้เด็กไป น, น, น้่งยิ้อ ตุกตาแบบกุมานอะไรอย่างเงี้ยว่ะมีโคงศพหลอกๆมีรูปมีรูปคนที่ตายไปแล้วอะไรอแต่ว่าไม่มีศพไม่มีสังขาแล้วเด็กก็ไม่ร้องไม่กลัวเลยก็มีวิ่งมาก็มีอก็ก็แตกวิ่แบบดีคือเหมือนเออรู้สึกแบบเออเราได้ผูต้ของจริงอะยเนี้ย ก็มีอะไรจะแนะนำไหมว่าเน้นอะไรไปเปล่า่าไม่ที่ให้คุณต่อว่าคอนแทคกับมนุษยีว่าดียังไงคําสอนของพทะเจ้านี่เป็นคําสอนที่ประเสริฐเลิศโลกอเปลี่ยนชีวิตเราเพิกหน้ามือเป็นหลังมือจากคนที่ไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์กลายเป็นคนที่มีหลักมีเกณฑ์ มีเหตุมีผลแล้วก็มันเหมือนเราทดลองวิทยาศาสตร์อ่ะสำหรับคนที่ชอบลองอ่ะเหมือนอย่างคนเขาบอกเอ้ยจริงห ร, รอความคาสอนน่จริงหรือเปล่ปาเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราสงสัยเราเราลงสนามเองเลยลองขอาจริงเลยจะได้รู้ว่าจริงหรือไม่จริงรู้เข้าใจความหมาย <c oughs> ว่าสันติโกเป็นยังไงสันติโกการิโก อารย์พูดถึงเรื่องนี้แล้วทางบ้านก็ถามมาไม่รู้ว่ามันเป็นวิธีถูกที่ฝึกที่ถูกต้องไหมค ร, รับอาจารย์ก็ถูกนะเป็ น, เ ป, นเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่ง4ี่กรรมฐานให้ไปเยี่ยมป่า ช, าช้ามีศพ10สบ10ชนิดใน ใ, ในสติปัฏฐานท่านก็แสดงไว้ว่าให้ไปดูศพกันศพก็มีสิบชนิดตั้งแต่ศพตายใหม่ๆตายสามวันสี่วันขึ้นอืดพอง แล้วก็ถูกแรงการมากัดมาแทะแล้วจนกระทั่งชิ้นส่วนกระจายแขนไปทางขาไปทางอะไรก็ให้เห็นสภาพความเป็นจริงของร่างกายของพวกเราว่ามันเป็นเพียงอาการ32ว่ามันไม่สวยไม่งามว่ามันจะต้องจบในที่สุดเพื่อเราจะได้ไม่ไปทุกข์กับมัน ที่ทุกเพราะว่าเราไปอยากให้มันดีให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันนี่พอเราไปอยู่กับของจริงมันก็เลยทําให้เราโปรงกันแล้วจิตก็จะสงบไม่วุ่นวายไปกับเรื่องของร่างกายเวลาเจ็บตรงนั้นเจ็บปวดตรงนี้ก็ไม่ตื่นเต้นหวาดกลวัวใช่ไหมเวลาไม่สบายอะไรก็ดูแลลงไปตามมัตรภาพรักษาได้ก็รักษาไป รักษาไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้แล้วตอนนี้มีปัญหาอะไรไหมทางจิตใจทางจิตใจเหรอเออไม่มีอ่ะไม่มีสมมติทุกอะไรขึ้นมายกตัวอย่งอางแบบ่าเออเวลาเราทุกเนี่ยเราต้องมาอานาะสมมติเราเครียดอะไรสักอย่างเนึ่ยอ๋อแสดงว่าคนที่ทุกอ่ะหายใจถี่ไงหายใจถี่ไม่มีสติยกตัวอย่างอย่างนี้มาวานะ มันก็เลยเครียดสะสมแต่พอถ้าเกิดเราใช้อานาปานัฏฐิดูลมหายใจจะสั้นจะยาวสติอยู่ที่ลมหายใจมันก็จะไม่คิดกับเรื่องที่ทุกข์หรือลมหายใจมันก็จะโล่งขึ้นอเออก็สุกมันอยู่แค่ลมหายใจเองก็เมือนไมคิดอย่างเนี้ยค่ะคือเวลาทุกข์ก็ใช้สติมาดับความทุกข์ไม่ไม่ได้ไปหาอะไรมาดับภายนอกคไม่ได้ไปหาของกินไม่ได้ไปไหาของดื่มไม่ได้มาดับถ้าเป็นมา่ก่อนยมโอ๊ยไปร้านเล่าดีกว่า <c oughs> นี่ใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้เพรามันอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่ลมหายใจของเราเลยว่าทำยังไงให้มันโลง่งโล่งเสร็จแ ล, ล้วเราทุกเพราะว่าเราขาดสติไปปรุงแต่งไปยึดไปติดก็เลยไปทุกข์กับเรื่องนะั้นเรื่องนี้ก็เลยดึงสติกลับมาใช้ดูลมหายใจเข้าออกพออยู่กับลมความคิดปรุงแต่งกับเรื่องต่างๆก็หายไปอความทุกข์ก็หายไปความึดอัดที่มัน ที่มันเหมือนเราหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยมันก็หายไปก็โล่งเบามันก็รล่เาเอนเดแต่ยังไม่เคยหัดใช้ปัญญา <ขอ S 1> ใช้แต่สติเวลาทุกข์ก็ใช้สติดึงกลับมาอไม่มีใครสอนเรื่องปัญญ า, ยาอย่างเลยมากราอาจารย์อ๋อพระอาจารย์ครับไปายว่าที่เขาสุดแบบเนี้ยังไงก็ต้องหมายความว่า มันเป็นแค่การฝึกถามนึงแค่นั้นเองทั้แต่ป็นว่าถ้าจะถึงบุดท้นเนี่ยแค่นี้ไม่พอไม่พอเ <TVs S 1> พราะมันยังมีความอยากในเรื่องอื่นอยู่นอกจากเรื่องของร่างกายแล้วมันยังมีความอยากกับเรื่องอย่างอื่นอย่าง<ช>ความอยากในใจในในอารมณ์ต่างๆเกี่ยวกับสิ่งต่างๆบุคคล ต, ต่างๆที่เรายังมองไม่เห็นว่าเป็นตายรัก<ช>เราเห็นเพียงแต่ร่างกายอย่างเดียวแต่เรายังไม่เห็น ครอบไปทุกอย่างรเรื่องราบยศสะรรเสริญอะไรต่างๆเหล่า น, นี้มันก็เป็นไต่ลักเหตุการณ์ต่างๆในบ้านในเมืองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสิ่งนั้นสิ่งนี้นบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้มันก็เป็นไ ต, ต่ลักษแต่บางทีเรายังเห็นแล้วเรายังไม่สบายใจเพราะเราไม่ได้เห็นด้วยปัญญาถ้าเห็นด้วยปัญญาก็เห็นว่ามันเป็นอนัตตาคือมันเป็นอย่างนี้แหละมันเหมือน ธรรมชาติเหมือนฝนฟ้าอากาศมันก็มีฝนตกแดดออกมีอะไรสลับกันไปเหตุการณ์ต่างๆที่เราไปประสบพบเจอมันก็อย่างนี้มีดีบ้างไม่ดีบ้างมีคนดีบ้างมีคนไม่ดีบ้างมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างแต่พอเราทุกข์เราก็เลยมาใช้สติดึงกลับดึงใจกลับมาจากเรื่องที่ทําให้เราทุกข์แต่ถ้าเรากลับไปดูเรื่องที่เราทุกข์มันก็ยังทุกข์อยู่ แต่ถ้าเราอยากจะไม่ทุกข์กับมันเราต้องมองเข้าใจมันว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติเป็นอนัตตาเหมือนกับาเวลาเราเห็นฝนตกเราก็ไม่ไปทุกข์กับมันเพราะว่าเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราไปทำอะไรไม่ได้ใช่มเวลาฝนตกเราจะไปห้ามมันไม่ให้มันตกก็ไม่ได้เวลาน้ำมันจะท่วมเราจะไปห้ามไม่ให้มันท่วมก็ไม่ได้ เรามักจะไม่เราไม่ทุกข์กับเรื่องฝนฟ้าอากาศเพราะเรามองเขาเป็นธรรมชาติเป็นของอนัตตาแต่เรื่องอื่นนี่เรายังมองว่าเป็นเรื่องของที่เราทำอะไรได้อยู่ <c oughs> เราเลยทุกข์เพราะเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเรารู้ว่าความทุกข์ของเราก็เกิดจากความอยากของเรานี่เองอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นเราก็ทุกข์กัน เราก็ต้องมองว่าเราไปทําให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการไม่ได้เขาเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศเราต้องอยู่กับเขาเหมือนกันเราอยู่กับศพนี้เขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาเราไม่ควรที่จะต้องไปทุกข์กับเขาถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่ทุกข์เราต้องใช้ปัญญาดูว่าความทุกข์ของเรานี้เกิดจากความอยากแล้วสิ่งที่เราอยากเราก็ไป ไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันเป็นอย่างนั้นสั่งให้มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้พอเราเห็นมันเป็นอย่างเป็นธรรมชาติเราทำอะไรไม่ได้เราก็หยุดความอยากแล้วต่อไปเราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งที่เราเห็นที่เราเเราับรู้อันนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการของอริยสัจต้องเห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยากแล้ว ทุกข์จะดับก็เพราะว่าเราเห็นว่าสิ่งที่เราอยากนั่นมันไม่เที่ยงมันไม่ไม่ได้เป็นของเราหรือไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะควบคุมบังคับให้มันเป็นตามความอยากของเราได้พอเราปล่อยวางปั๊บเราก็จะไม่ทุกข์กับมันอันนี้คือขั้นปัญญาอันนี้ถ้าถ้ามีปัญญาแล้วมันจะพอมันแก้แล้วมันจะ มันจะหายขาดเลยมันจะไม่ทุกข์กับเรื่องนั้นอีกต่อไปเ้นพยายามมองทุกอย่างว่าเป็นตายรักเป็นอ น, นิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของชั่วคราวมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาเป็นดินน้ำลมไฟของทุกอย่างนี้มันมาจากดินน้ำลมไฟแล้วเราก็ไม่สามารถไปสั่งดินน้ำลมไฟให้มันเป็น ตามที่เราต้องการได้ต่อไปเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรมองว่ามันเป็นถึงที่เรามองว่าเป็นนั่นเป็นนี่ความจริงมันเป็นสมมุติเช่นเห็นคนนั่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องอันจริงคนที่เป็นพี่เป็นแม่เป็นน้องหรือไม่เป็นมันก็เหมือนกันใช่ไหมร่างกายมันก็มาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกัน เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันทํำไมคนที่เราไม่ได้เรียกว่าเป็นพ่อเป็นแม่เราทําไมเราไม่ไปทุกข์กับเขาพราะเราไม่ไปคิดว่าเขาเป็นพ่อเป็นแม่เราใช่ไหมแต่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราเราก็มาคิดว่าเป็นพ่อเป็นแม่เราเราก็จะอยากไม่ให้เขาเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาที่เราทุกข์เพราะว่าเราไปหลงสมมุติไปติดกับสมมุติไปติดคําว่าพ่อติดคําว่าแม่ติดคําว่าเป็นของเรา กะรของที่ไม่เป็นของเราเป็นอะไรนี้เราไม่ทุกข์ด้วยเนี่ยเราต้องลองทุกอย่างว่าไม่ได้เป็นของเราเป็นของชั่วคราวเป็นของยืมมาเดี๋ยวก็ต้องคืนเข้าไปเนี่ยต้องหัดใช้ปัญญามองทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกเพราะว่าอยากให้มันไม่เป็นอนิจจัง ยุคเพราะไม่อยากให้มันเป็นไม่ได้เป็นของเราอยากจะให้มันเป็นของเราอยากจะให้มันเที่ยงแต่ของทุกอย่างมันไม่เที่ยงอยากให้เป็นของเราของทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นของเราพอมันไม่เป็นของเราเราก็ทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีความอยากเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ได้เป็นของเราเราก็ไม่ไปอยากมันปล่อยมันไม่เที่ยงไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปมันจะเจ็บก็มันจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันไป ที่เราไปฝึกนี่เราฝึกเฉพาะเรื่องของร่างกายแต่เราต้องเอาม อ, องร่างกายนี้กลับมาทุกๆคนที่เราพบเห็นรู้จั ก, จกว่าเป็นเหมือนกันหมดร่างกายของทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องมีการพัดภาาจากกันไม่มีอะไรถาวรในโลกนี้มีสิ่งเดียวที่ถาวรก็คือใจผู้รู้ผู้ ผู้คิดนี่แต่ตอนนี้ผู้รู้คิดไม่ถูกคิดด้วยโมหะอวิชชาคิดด้วยความหลงหลงว่าเป็นของเราเป็นตัวเราก็เราอยากให้มันอยู่กับเราไปนานๆแต่ของทุกอย่างมันไม่เป็นของชั่วคราวพอเวลามันจากเราไปเราก็เสียใจทุกใจแต่ถ้าเรามองว่ามันต้องจากเรา เราเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์เราก็จะไม่ทุกข์เวลามันจากเราหรือเวลามันเปลี่ยนไปของทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนของใหม่ก็ต้องกลายเป็นของเก่าไปเสื่อมสภาพไปหมดสภาพไปอันนี้คือปัญญาพยายามพิจารณาอยู่เรื่อยดูทุกอย่างไม่เป็นตายรักอ น, นิจจังไม่เที่ยงอนัตตา ไม่มีตัวตนไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเป็นของธรรมชาติเป็นของดินน้ำลมไฟแล้วเราก็จะได้ปล่อยวางจะไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ให้เขาเป็นไปตามความเป็นจริงของเขาเช่นอากาศตอนนี้มันจะร้อนก็เราก็ทำอะไรมันไม่ได้เวลามันหนาวเราก็ทำอะไรมันไม่ได้ แต่เราอยู่กับมันได้เราก็อยู่กับมันไปกับทุกอย่างก็เหมือนกันทุกอย่างก็มีดีบ้างมีไม่ดีบ้าง er เราสามารถอยู่กับมันได้เหมือนกับเราอยู่กับธรรมชาติดีก็อยู่กับมันไปไม่ดีก็อยู่กับมันไปถ้าไม่มีความอยากให้มันดีมันก็จะไม่ทุกข์ังนั้นต้องคอยดูความอยากที่มีอยู่ในใจของเรา เวลามันปรากฏขึ้นมาต้องหยุดมันให้ได้อยากให้แม่มาปฏิบัติธรรมนี่ก็ทุกข์ละอยากก็แบบยังอยากอยู่ออเขาไม่ได้สอนทางด้านปัญญาเรื่องเรื่องอรทางอริยรรสัจส <Okay. S 1> ี่อริยรรสัจสีเนี่ยเป็นหัวใจของพระพุท ธ, ทธศาสนาเลยส่วนการฝึกสตินี่ก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่ไม่เป็นเป็นส่วนหนึ่งของมรรคมีสติแล้วก็ต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องมีปัญญาถึงจะได้ครบองค์มรรคแลลองลองพิจารณาตายรักเรื่อยๆเห็นอะไรก็ว่าเป็นดูว่ามันเป็นตายรักดูเสี่ยมันเหมือนเดิมไหมมันจะเป็นเหมือนเดิมอย่างนี้ไปตลอดหรือเปล่าทุกอย่างมัน วันนี้เป็นอย่างนี้ห้าปีสิบปีมันก็ต้องเป็นไปแบบหนึ่งนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกอย่างเรียกว่าปัญญาพยายามมองทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังไม่เทีย่ยมอนัตตาเป็นธรรมชาติเราไม่สามารถที่จะไปสั่งไปห้ามมันได้มันจะเป๊มันจะเป็นอะไรเราก็ต้องอยู่กับมันไปเท่านั้นเองถ้าเรารับมันเราก็จะไม่ทุกข์ ถ้าเราลักมันไม่ได้เราก็จะทุกข์เรนะื่อเกี่ยวหัดชั่วโงแรกก็จะอนุโมทนาให้พรก่อนแล้วถ้าใครอยากจะอยู่ฟังต่อก็ได้ยะทาวาริวะหาปุราปะริปุเรนติสาคารัง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 มาเตภวะตวันตรายูสุขีทีขาโยโกภะวะอภิวาธนศีลิศานิจจังุทธาปจายโนจตารุธรรมวัฏฐานติอายุวโนสุขังภาลา ไครท้งพาดเยเหมือนกันแต่ไม่รู้คำตอบไม่เหมือนกันเอเราเกิดมาเป็นคนเนเทวดาอันไหนจะดีกว่าสมมติเราตายไปใช่ไหมเกิดมาเป็นเทวดาหรือคนอันไหนจะเกิดมาดีกว่าก็แล้วแต่ว่าจะเอาอะไรถ้าจะเอาความสุขทางทางตาหูจมูกลิ้นการทางรูปเสียงกลิ่นนั่นก็เป็นเทวดาก็สบายกว่า ไม่ต้องเหนื่อยเหมือนมีคดเป็นคนเป็นคนนี่กว่าจะหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายได้ก็ต้องอ่เสียหาเงินหาทองหาอะไรต่างๆแล้วก็เทวดาก็ไม่มีร่างร่างกายมันก็ไม่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกับร่างกายแต่ถ้าจะเอาธรรมะก็เป็นมนุษย์จะดีกว่าถ้าเป็นธรรมะถ้าเป็นมนุษย์แล้วได้เจอ พระพุทธศาสนาอย่างตอนนี้ก็ได้ทําบุญได้ฟังเทศฟังธรรมเป็นเทวดาก in oh, nice. yeah, yeah. ็ได้ฟังเหมือนกันแต่ยากกว่าเพราะต้องมีพระหรือท้าพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ที่ติดต่อกับเทวดาได้ไปสอนผมใช้พระดาสมบูรณ์ได้หรอก็ฟังธรรมได้ไงฟังเฉยๆฟังธรรมก็ตามถิ่นที่นะ้าหลวงพ่อิ่เทวดานี่จะจะจะสร้างกรรมดีกรรมชั่วไม่ได้ใช่ไหมคะ ก็ส่วนใหญ่จะไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ทํานอกจากเที่ยวอย่างเดียวเหมือนกับไปเที่ยวสวรรค์นี่เป็นที่ท่องเที่ยวสมุประจางคิดว่าอันไหนดีกว่ามันเราแต่เราชอบใช่ไหมครับถ้าเลยยังชอบเที่ยวอยู่ก็เป็นธรรมดาดีกว่าถ้าอยากจะไปนิพพานอยากจะปฏิบัติธรรมต้องเป็นคนเอ แ่ากทีอย่างที่น้องน้องก็ไปปฏิบัตินี่นะคะอ่าอย่างนี้เรียกว่าเป็นทางอจุพรใช่ไหมคะใช่เออใช่นี่ไม่ใช่คนจะปฏิบัติได้ใช่ถ้าเกิดสมมติอย่างที่มีพูดเนี่ยนะคะว่าเออถ้าเกิดรู้ก่อนก็คงไม่ไปาะมันจะต้องเกิดความกลัวก่อนใช่เออและการที่เรียกคนไปปฏิบัติโดยที่ยังไม่รู้ว่าจะไปเจอสิ่งอะไรเนี่ยมันถูกต้องไหมคะก็เป็นเป็นอุบายวิธีของการสั่งสอน เพราะว่าถ้าไปบอกก็ไม่ไปถ้าไม่บอกก็ไปแล้วนเะมื่อไปเมือม่อเมื่อมันไปจนจอกมันก็เลยยอม<ะ>ยอมแต<ะ>่จำเป็นต้องไปเหรอแต่ความจริงน่าจะรู้หรอกเพราะใครจะไปที่นี่เขาก็ต้องรู้กั น, นใช่ไหมแตก่ก่อนนี้นิยมไม่ทราบเราอาจจะไม่รู้คนเดียวแต่คนหนึ่งก็อาจจะรู้กันเนาะเพราะใครๆก็รู้เนี่ยว่านี่เขาไปปฏิบัติกันยังไงถ้าเราไม่รู้เราก็ถามคนที่เขาไปก่อนได้อย่างนี้เราไม่รู้เราก็ถามคนนี้นะ ไ, ได้ ตอนนั้นไปดูดวงค่ะอไปดู่วแล้วหมอดูแนะนำแต่เขาไม่ได้บอกว่าไปนั่งกระสอบเขาบอกว่าไปไปฝึกวิปัสสนาญาณสิบหกอันนี้แผนจิตขอได้หนึ่งอย่างในความว่าอยากขอพอไงก็เลยไปคือคนที่ดูดวงให้หรือเปล่าเป็นเป็นโยมอะไรโยมอ๋อเป็นโยมที่ดูดวงให้ชักจูให้ค่ะเรนก็พูดได้ยินข้างนรกเนี่ยเพราะว่าก็ไม่เคยไม่ก็ได้สนใจเรื่องแถบสถานที่ต่างๆ พอดทีเห็นว่าเป็นคนที่เคยไปปฏิบัติมาก็เลยอยากจะถามไปที่ไหนมาอย่างไรจะได้มีข้อมูลมาแบ่งปันกันแล้วแล้วจริงๆมันจําเป็นไหมทว า, ารชาหรือว่ามันเป็นแบบเป็นทางลัดหรือว่ามันเป็นมันเป็นเจริญไงคนเรามีจริญห้าประการด้วยกันศรัทธาจริตเออญการมรรจิตพุทธเจริตะ โมหะจริตเนี่ยต้องใช้กรรมฐานที่ไม่เหมือนกันอสัทธาจริตนี่จะชอบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชอบเทวดาชอบอะไรอย่างนี้ใชต้องใช้เจริญพุท ธ, ธานุสติธรรมานุสติหรือเทวานุสติแต่พวกที่เป็นพุท ธ, ธจริตคือพวกปัญญาตรงนี้ชอบของจริงอชอบดูของจริงชอบมรณานุสติชอบอสุภะ เพราเห็นแล้วพวกนี้แล้จิตเขาสงบเขาไม่กลัวเขาไม่กลัวเขาเป็นคนกล้าพวกมีปัญญานี่ยเขาเป็นผู้ที่จริตนี่เรียกพวกปัญญาจริตเนี่ยตรงนี้เขาจะชอบมรณานุสติชอบรสุภะนั้นแล้วแต่จริญของแต่ละคนถ้าจิตยังอ่อนอยู่นี่สอนมรณะนุสติไม่อัสุภะไม่ได้ต้องสอนพุทโธก่อน ให้เจริญพุทธานุสติไปจะสวนอิติปิโสร้อยจบก็ได้เขาก็ทำได้อันนี้ก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันเป็นการเจริญสติเหมือนกันจิตจิตเขารับได้แต่ถ้าให้เขาไปดูศพนี่เขารับไม่ได้ลงรล้างทีจะเป็นลมคนบางคนเพียงแต่คิดถึงความตายก็ไม่เอาละใจหดถูแล้วดังนั้นต้องต้องฝึกจิตให้แข็งก่อน มองพวกนี้ต้องมีสมาธิก่อนถึงจะไปเจริญทางด้านอสุภะได้ทางมรณะนุสติได้ <c oughs> ก็แล้วแต่จะหลิกของแต่ละคนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บังคับที่อาจารย์ที่ท่านปฏิบัตินี้ท่านได้ท่านได้ทางนี้มาท่านได้ประโยชน์จากการปฏิบัติแบบนี้มาท่านก็อามาสอนก็สอนแต่เฉพาะพวกที่ชอบพวกนี้เขาก็ไปกันพวกที่ไม่ชอบเขาก็ไม่ไปกัน ก็ไม่จําเป็นจะต้องไปทางนี้ทันทีแต่เรื่องการพิจารณาสุภะเรื่องความตายนี้มันต้องไปแต่อาจจะไปขั้นปัญญาก็ได้คือให้มีสมาธิก่อนพอจิตสงบแล้วจิตจะมีอุเบกขาจิตจะไม่ค่อยไม่ค่อยวอกแวกไม่ค่อยหวั่นไหวเห็นอะไรก็จะไ ม, ไม่ไม่ไม่ตื่นเต้นตกใจแต่ถ้ายังไม่มีสมาธินี่ มันเห็นอะไรปั๊บหน่อยมันจะตกใจจะตื่นจะกลัวขึ้นมาแต่อย่างนั้นยังใช้ไม่ได้อย่างไปทางกรรมฐานที่เราใช้อนี้มันเป็นทั้งสมถาะาและเป็นทั้งวิปัสสนาี่การดูความตายดูอสุภะนี่ยมันได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาแต่ถ้าใช้พุทธานุสตินี่มันจะได้เพียงสมาธิได้ความสงบแต่มันยังไม่ได้ปัญญามันยังจะไม่เห็นความไม่เที่ยงของร่างกาย ไม่เห็นความไม่สวยงามของร่างกายออนี่เราเห็นตอนนี้เราปล่อยวางร่างกายได้ออร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราไม่ไม่ไม่เดือดร้อนจัดแต่เวลากลับมาจากที่ผ่านกานมาถ่ายแล้วอะเรามานั่งฟังเพื่อนคุยเรื่องปกติรู้สึกรู้สึกเครียดค่ะเว้้ากคุยอะไรกันเนี่ยที่เมื่อก่อนเราก็คุยเอา อ, อ, อ๋อเดีวว่าจิตมันละเอียดออจิตพอจิตมันละเอียดมัน มันมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอเงี้ยเราก็ไม่มันแค่เรื่ว่ามันเบื่อใช่เบื่อไม่อยากมันเบื่อไม่อยากฟังไร้สาระไม่อยากยุ่งไม่อยากฟังใครุยคยแต่เรื่องไร้สาระไปแต่งจมูกที่นั่นไปแต่งตาที่นี่ยเราจะชอบโอยตรงไหนอะไรเขาคุยอะไรกันไม่มีประโยชน์เลยคิดอย่างนี้เราไม่สงสัเราแบบ ปกติหรือเปล่ามันมันจะก็จะว่าผิดปกติก็ได้ถ้าเขาเป็นปกติเราก็ไม่เราก็ผิดกับเขาแต่ถ้าเราเป็นปกติก็แสดงว่าเขาไม่ปกติอย่างนี้เราควรจะปรับตัวเราเข้ากับสังคมโดยการฟังได้แต่ว่าไม่ไม่ตามหรือว่าควรจะหนีออกไปเลยอ๋อถ้าเราถ้าเราต้องอยู่เราต้องฟังถ้าเรายังฟังไม่ได้แสดงว่าเรายังไม่มีปัญญา เราต้องพิจารณาว่าเขาเป็นอย่างนี้แหละเขาเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศเราจะไปเปลี่ยนเขาไปบางคำให้เขาพูดอย่างที่เรารู้เห็นไม่ได้เราถ้าไม่งั้นเราเราก็จะอยู่เขาแบบไม่มีความสุขแต่ถ้าเรายังต้องอยู่อยู่แบบมีความสุขเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปอยากให้เขาเป็นเหมือนเราและคิดเหมือนเราเขาจะคิดอย่างนี้ก็เรื่องอย่างที่คุณเริ่มอธิบายตอนต้นอ่ะคุณเข้าใจว่าทาไมคนนี้เขาถึงโลภทําไมเขาถึงงกเขาถึง เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าธ ร, ธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนี้ ค, คนก็เลยไม่โกรธเขาไม่ลำคานกับเขาอยู่กับเขาได้อันนี้ก็เหมือนกันแสดงว่าถ้ายังต้องอยู่ในสังคมต้องใช้ปัญญาในการออกมา <c oughs> แต่ถ้าเกิดจะออกบวชก็หนีไปเลยอ่าถ้าถ้าไม่มีปัญญาอยู่แล้วมันหงุดหงิดลำคาญใจก็ต้องไปหลบไปข้างไปที่ห้องหรือที่ไหนไปนั่งสมาธิทำใจท่านบอกไปพุโทโธพุโทโธ <c oughs> อน่า <c oughs> นนั้นใช้สติดับ แต่ถ้าใช้ปัญญาก็ไม่ต้องหนีจากเหตุการณ์ใช้ปัญญาสอนใจว่ามันเป็นอย่างนี้แหละโลกนี้มันเป็นเปลี่ยนไปเปลี่ยน ม, มีดีมีชั่วมีอะไรต่างๆเมื่อเราต้องเจอมันเราก็ต้องทำใจอย่าไปนังเกลียดนันอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นพอเราหยุดความอยากอันนี้ได้หยุดความนังเกียดได้มันก็จะอยู่กับมันได้อันนี้ขั้นปัญญาพระอาจารย์ครับตอนนี้อ่า อข่าวต่างๆอันนีขอโทษนะครับไม่ได้พัดขึ้นใครข่าวต่างๆอพัดประท้วงเนี่ยครับพัดประท้วงแต่เราเนี่ยเราจําเป็นแบบเราเปิดมาแล้วก็เห็นเราไม่หนีแต่ว่าเราใช้เร า, เราตัดมว่า <c oughs> เรากลับไปมองว่าแม้ว่าจะเป็นการประท้วงด้วยการ <c oughs> สวดมนต์แต่เราก็ไปมองว่าอย่างน้อยสวดมนต์ก็ดี <c oughs> โดยที่ไม่ได้สนใจเลยใครอะไรยังไงแต่ไปมองว่าส่วนดีคือสวดมนต์ ถึงเจตนาเขาจะแบบว่าสวดมนต์เพื่อขวางแต่เราไปมออย่างน้อยก็เป็นของดีอออย่างนี้ก็คือเราควรจะมองอย่างนี้หรือว่าควรจะไม่ไม่สนใจไปเลยอ๋อควรจะมองแบบว่ามันเป็นเรื่องของเขาอ่ะเป็นความคิดความหลงของเขาเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นมาเช่นเรื่องของเรามงเลยราสักแต่ว่ารู้เฉยๆรู้เฉยๆไม่ต้องไปวิพากวิจารเขาไม่ต้องไปชอบหรือมันไปชัง ไม่จักแต่ว่ารู้เฉยๆว่าโลกมันเป็นอย่างเนี้ยคนเรามีความคิดต่างๆแปลกๆกจาง ก, กันไปต่างคนก็ต่างทําอะไรกันไปตามความรู้สึกนึกคิดของเขาเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาหน้าที่ของเรามีหน้าที่รักษาใจเราให้สงบเพียงอย่างเดียวจะสงบได้ก็ต้องเข้าใจว่าเขาเป็นอย่างเนี้ยเป็นอนัตตาเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศใช่ไหมเราก็จะไม่ทุกข์กับเขา <c oughs> นี่คือเรื่องของทางอารมณ์แต่เรื่องของทางพิจารณาทางเหตุผลแล้วก็พิจารณาได้ว่าทำไมก็าทำอย่างนี้เอก็ทําทเพราะว่าเขารักของนี้เขาอยากจะได้ของนี้คืนออยากจะปกป้องรักษาของนี้เขาก็เลยต้องออกมาขวางหรือมาทําอะไรของเขาไปก็ก็ดูไปได้แล้วก็วิเคราะห์ได้อแต่เราก็จะเฉยเฉยไม่มีอารมณ์กับเขา เือส่วนใหญ่คนที่รับฟังข่าวสารเนี่ยจะตามหมดแล้วใช่เ <จะ S 2> อาลมัน <จะ S 2> ไ ป, ไปมันไม่เหลือมันมีรักมีชังมีเดิ<อ>ในใจไงพอได้ยินอะไรที่รักก็ไปเลยรักเลยพอได้ยินอะไรที่ชังก็ชังเลยถ้าอาจารย์คะยังเวลาเราเราเจออยู่กับคนที่ไม่ถูกเจริญกับเราเนี่ยนะคะสิ่งที่เราควรจะทําคืออะไรคะ เราพยายามอยู่กับเขาเผชิญหน้าก ok ับเขาหรือว hey ่าเราหลีกีก็แล้วแต่เหตแล้วแต่เหตุผลว่าเราต้องอยู่ก um> ับเขาหรือไม่ไงถ้าเราไม่เราจำเป็นต้องอยู่ก็ก็อย่าอย่าอยู่พระพุทธเจ้าอญ่บอกว่าอย่าคบคนพาลให้เขบัณฑิตะหาคนคบคนดีดีกว่าคบคนไม่ดีเราก็ต้องมีเมตตากับทุกคนเราจะแบบไม่ทุกไม่ใช่นนการการหลีกเลี่ยงไม่ได้หมายความไม่มีเมตตาไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเออ ก็ยังยังเมตตาเขาได้อยู่แต่ไม่ต้องอยู่ใกล้กันก็คงคิดว่าอยู่ๆแล้วเรามีความคิพูดอะไรก็ไม่รู้ว่มือคนละคนคนละภาษาเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องแต่เราไม่โกรธเขาเกลียดเขาหรอกแต่ว่าต้องไอโซเลตต้องแยกกันอยู่ ยมเคยฝึกมโนมนยิติอะค่ะที่บ้านสายลมของราชท่าสอลอะไลทําำยังไงทีนี้แบบใช้คำอริกรรมหายใจเข้านะมะหายใจออกผ้าทะก็คือห้องนึงก็ประมาณ27คนอะไรเงี้ยเอนก็จะมีหลายห้องแต่มันก็เห็นเหมือนกันนะคะเหมือนพละร้อนตาย <c oughs> ทามทพูดถึกนะคะเหา็นค <c oughs> ือทีนี้น <c oughs> พ่อท่านเทศว่าถ้าเกิดเราป่วยหรือระหว่างวันอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราจิตเราจับพระนิพพานได้เป็นเป็นอารมณ์ออะืเวลาเราตายไปจิตตอนสุดท้ายที่เราถูกฝุดโดยการจําพระนิพพานเนี่ยมันก็จะไปนิพพานได้ไม่ได้นะเพราะว่านิพพานนี่มันเราไปจับอารมณ์มันไม่ได้เราต้องทําให้มันเป็นนิพพานขึ้นมานิพพานก็คือเราต้องกําจัดความโลภโกรธหลงความอยากต่างๆ เวลาเราสงบนี้จิตก็เป็นนิพพานแต่เป็นนิพพานชั่วคราวแต่กิเลสโลกกฎหลงมันยังไม่ตายมันเพียงถูกสติกดเอาไว้แล้วพอเวลาไหนที่เราสติไม่มีโลกกฎหลงมันก็จะผล่ขึ้นมามันต้องใช้ปัญญาเท่านั้นถึงจะกําจัดความโลกกฎหลงความอยากต่างๆได้อย่างที่สอนเนี่ยให้มองทุกอย่างว่าเป็นไตรลักษณ์แล้วจิตมันจะเป็นอนิพพานขึ้นมาเองแต่จะไปจับไป ไปเหมือนกับว่าไปจําว่านิพานเป็นยังไงนึวกวมันนึกว่านี่คือ น, นิพานนิพานอันนั้นไม่ใช่ตัวนิพานมันตัวความจํามันไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงต้องต้องต้องทาจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ทําลายความโลภโกรธหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจมันถึงจะเป็นนิพานอย่างที่สอนเนี่ยที่สอนให้พิจารณาตายรักเนี่ยต่อไปเราก็จะกําจัดความอยากต่างๆไปได้แล้วต่อไปไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่มันก็เป็นนิพาน ถ้าอย่างนั้นจิตที่เป็นนิพพานชั่วคราวระหว่างจะตายจะไปไหนครับพระอาจารย์ก็ไปพรมไปพรมาโลกอจิตที่สงบเป็นสมาธิเป็นฌานก็มีสองระดับรูปฌานก็ไปรูปประพรมเป็นรูปประพรมถ้าเป็นอรูปอรูปฌานก็ไปสู่อรูปประพรมเนี่ยตายภพนี่มีอยู่สามการมาพบกับรูปประพบอรูปประพบรูปประพบก็คือพวกที่ได้สมาธิได้ฌานได้รูปฌานะ อรูปภพก็คือผู้ที่ได้อรูปฌปานฌานก็คือการเพ่งด้วยสติให้อยู่กับอารมณ์เดียวแล้วจิตก็นิ่งสงบสงบก็เป็นฌานขึ้นมาขั้นแรกก็เป็นรูปฌปานก่อนมีอยู่สี่ขั้นแล้วพอเพ่งลึกเข้าไปอีกก็จะไปสู่ขั้นอรูปฌปานจิตจะสงบลึกเข้าไปอีกจากรูปฌปานสีก็จะเข้าไปสู่อรูปฌปานหนึ่งสองสามสี่ ก็เป็ปสุดที่นิโรธสมาบัติอันนั้นตอนนั้นจิตหยุดทำงานขันหยุดทำงานทั้งหมดนมามขันไม่ทำงานแต่ไม่ตายกิเลสไม่ตายกิเลสเพียงถูกกดเอาไว้เนีพระพุทธเจ้าได้ได้รูปประชานรูปประชานตอนก่อนตัดสรู้ไงเหมือนย้อนเวลาเข้าไปในชานี้เหมือนว่าไปนิพพาน แต่พอออกมาจากฌานพอมาเห็นร่างกายมาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่สบายใจกันมาเพราะยังมีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย <L un> ก็เลยต้องพิจารณาด้วยวิปัสสนา <L un> ก็เลยเห็นว่าความทุกข์ของท่านที่ยังไม่หมดก็เพราะว่ายังมีความอยากอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย <L un> พอพิจารณาดูความจริงของร่างกายว่ามันเกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายท่านก็เลยยอมรับความจริง พอยอมรับความแก่วความเจ็บความตายความอยากก็หายไปความทุกข์ก็หายไปทีนี้จิตก็สงบโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิอันนี้จะเป็นนิพพานไปแต่ไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องของร่างกายนอกจากร่างกายแล้วยังมีเวทนายังมีเรื่องของจิตอยู่เองที่ยังยังยึดยังติดอยู่ยังอยากอยู่ก็ต้องพิจารณาเป็นตายลักให้หมดแล้วก็กพอกําจัดความอยากใน กายได้ในเวทนาได้ในจิตได้ก็ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจก็เป็นนิพพานไปต้องใช้ปัญญาถ้าใช้สมาธิก็ยังต้องกลับมาเกิดเพราะว่าสมาธินี้มันมันสง บ, บด้วยกำลังของสติพอสติหมดกำลังอิเลียมันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วมันก็จะดึงให้เรากลับมาเกิดจากชั้นพมก็ลงมาสู่ชั้นเทพ จากชั้นเทพก็ลงมาสู่ชั้นมนุษย์ต่อไปแต่ถ้าไม่มีความอยากก็จะไม่มีตัวดึงจิตให้กลับมาจิตก็จะอยู่กับความสะอาดความบริสุทธิ์อยู่กับความสงบที่ถาวรความสงบที่ถาวรนี้ท่านเรียกวานนิพพานท่านพระอาจารย์ครับปัญญาปัญญานี้ ก็ต้องศึกษาเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงเราก็ศึกษาจากผู้ที่มีปัญญาก่อนเช่นเรามาฟังเทศฟังธรรมนี้เราก็จะได้ยินปัญญาที่พระเจ้าสอนว่าทุกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเช่นความทุกข์ใจของเรานี่ท่านบอกว่าเกิดจากความอยากของเราเองเกิดจากความและการจะดับความทุกข์ใจก็ต้องหยุดความอยาก การจะหยุดความอยากก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากนี่มันเป็นทุกข์อยากแล้วมันมันไม่ได้ให้เราสุขอยากแล้วทำให้เราทุกข์เพราะสิ่งที่เราอยากได้มาเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปเวลาได้เวลาอยากได้อะไรพอได้มาก็ดีใจเดี๋ยวพอของที่เราได้มาจากเราไปก็เสียใจ ก, ก็ทุกข์อีกให้มองให้เห็นว่าทุกอย่างที่เราอยากได้มันไม่เที่ยง <c oughs> เราไม่สามารถเก็บไว้เป็นของเราไปได้ตลอด แม้แต่ร่างกายนี้ก็เหมือนกันร่างกายนี้ก็มันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราไม่สามารถเก็บร่างกายไว้เป็นของเราไปได้ตลอดอ่าปัญญาคือต้องเห็นใจรักเห็นอริยสัจสี่เนี่ยถึงจะเรียกว่าปัญญาต้องต้องเกิดจากการนั่งสมาธิให้จิตสงบนะครับการนั่งสมาธิจิตสงบนี้ไม่ได้เกิดปัญญาเพียงแต่เกิดความสงบแล้วพอจิตสงบนี้มันจะมีกําลังที่จะศึกษาปัญญาได้ ถ้าจิตไม่สงบกิเลสมันจะไม่ให้ศึกษาเรื่องปัญญามันจะให้ศึกษาเรื่องลาบยศสารเสริญการที่จะฝึกว่าเราจะมีปัญญามีปัญญาเน่ยคือมันดีเรื่องเรื่อนเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับอะแล้วก็มันก็เป็นเหตุถูกไหมคะในเมื่อนเมื่อมันมันเป็นเหตุเนี่ยเรามาพิจารณาเป็สาเหตุอันนี้เพื่อจะหาผลของมันอันนี้คือการใช้ปัญญาใช่แตามันมีเหตุสองอันเหตุภายนอกกับเหตุภายใน เหตุภายนอกเราไม่มันไม่ใช่เป็นตัวแก้ปัญหาเราต้องแก้ปัญหาที่เหตุภายในเช่นเหตุภายนอกก็มีเช่นคนนั้นเขาทำไม่ดีก็จับเขาไปเข้าคุกเข้าตารางแต่เดี๋ยวเราเจอคนไม่ดีใจเราก็ทุกข์อีกนั้นเราต้องมาแก้เหตุภายในคือใจของเราที่เราทุกข์เพราะเราไม่ชอบคนไม่ดีเราอยากจะให้มีแต่คนดีแต่ที่นีโลกมันเป็นอนิจจามันไม่แน่นอนมันมีทั้งคนดีไม่ดี เราก็ต้องทําใจยอมรับว่าใช่ อ, อย่างั้นพอเราเจอต่อไปเราเจอคนไม่ดีเราก็จะไม่ทุกกับเขาก็ปล่อยเขาไม่ดีไปแล้วเดี๋ยวสังคมก็จัดการเขาเองเดี๋ยวเขาถูกจับขังทุกขังตารางไปเองไม่มอย่างเวลาบางครั้งเวลาทาําอะไรนั้นจะมันติดขัดเลยนะคะ<ม>คือมีความรู้สึกว่าโอเคจะทิ้งไว้ตรงนั้นก่อนอืมเดี๋ยวมันจะต้องมีทางออกของมันได้ คือเราเราไม่ไม่ใช่จะต้องไปจะต้องเอาให้มันได้เดี๋ยวใช่เอเพราะว่าบางทีเราคิดไปมุมเดียวพอเราทิ้งไว้สักพักเรากลับมาดูเราจะมองอีกมุมหนึ่งแต่นั่นก็ยังแก้ปัญหาภายนอกอยู่แต่ว่ายังยังยังอยู่ในในฝั้องใช่ต้องแก้ปัญหาภายนอกไปแต่ถ้าเป็นนักบวชเราจะไม่ไม่สนใจปัญหาภายนอกจะแก้ปัญหาภายในคือใจของเรา ไม่ให้เราไปทุกกับปัญหาต่างๆให้ยอาจารย์ให้ก็ไม่ต้องไม่ได้ต้องไปเจอกันเรื่องปัญเรื่องปัญหาภายนอกเนี่ยป่าบเจอก็ต้องก็เจอเหมือนกันแต่มันไม่มากก็เจอคนนั่นคนนี้คนบางคนมาอยู่นี่มาเกะ ก, กะมามทําอะไรเราก็อย่าไปโกรธเขาอย่าไปเกลียดเขาทค่นั้นเองอัน <c oughs> นี้คือปัญหาภายในปัญหาภายในคือความโกรธเกลียดความ เราแก้ตัวนี้แต่ตัวนอกแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ไม่ถ้าเราแก้ตัวในได้แล้วตัวนอกมันจะเป็นยังไงเราก็ไม่เดือดร้อนนี่คือคือการแก้ปัญหาที่ถูกต้องแก้ปัญหาที่ใจเราเนี่ยอริยรรสัจสี่เนี่ยอยู่ที่ใจเราเราไม่สบายใจเพราะเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วพอแก้ไม่ได้ก็ยิ่งไม่สบายใจใ่ แต่ถ้าเรามาแก้ว่าเขาเป็นอย่างเนี้ยแก้ไม่ได้พวกเขาเป็นอนัตตาเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาเป็นไปเราก็หายทุกข์แล้วก็อย่างเงี้ถ้าเผิดเราเราเราห่วงเราเรากังวลนะเกี่ยวกับเรื่องการงานหรืออะไรของญาตน้องลูกอะไอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยก็อยากเหมือนกันเลยเราก็ต้องเราก็ต้องทิ้งทิ้งมาเพราว่ามันเป็นเรื่องที่เขาจะต้องจะต้องจัดการตัวเขาเองเราไม่ควรจะเอามาเป็นโจรเลยนะ ใช่เป็นแต่ถ้าเรายังอยู่กับเา้าเราช่วยเขาได้เราก็ช่วยเขาไปใช่ไหมคือจะช่วยช่วยแบบให้เขาพึ่งตัวเองได้ไม่ได้ช่วยแบบต้องให้เราช่วยเขาตลอดเวลาใช่บางทีเขาล้มเราก็ช่วยดุกเข้ามาเขไม่สบาย <S <S ก็พาเขาไปรักษาโรงพยาบาลี้ก็ต้องช่วยกันไปแต่ไม่ช่วยก็ได้ช่างหัวมันบ่อยมันเป็นเวรเป็นกรรมตามบุญตามกรรมไปแต่บางทีอย่างอย่าง ยังไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเราเนี่ยจะเป็นหลานเราอืมเรามองเห็ น, เ, นเราเราดูแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยแต่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปจัด ก, การหรือจะไปพูดอะไรเขาได้เพราะว่ามันติดขัดด้วยเรื่องอื่นบางประการ เ, เราจะทนายให้คุณยืนไปตระเวนอยู่าหให้คุณอื่น ไ, ไปพูดได้นะคะว่าเออต้องระวังนะลูกหรืออะไรอย่างไงี้ก็แล้วแต่ถ้ายังทําได้ก็ทําไปถ้าทำไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางอ่า อ๋อไม่ไม่เป็นสมาธิมันจะไม่ทําให้เป็นปัญญาขึ้นมาเองเราต้องเอามาคิดเราเรื่องต่างๆมาคิดมาพิ จ, จารณาเช่นเอาเอาสิ่งที่เราได้ยินจากพระพุทธเจ้านี้มาคิดพร<ม>ะพุทธเจ้าบอกว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราเราก็เอามาคิดแล้วเวลาเราไม่มีเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วก็ย้อนกลับมาที่ใจเราถามว่าตอนนี้เราอยากอะไรหรือเปล่า อ, อันนี้มันถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมา แต่อยู่เฉยๆสมาธิมันจะไม่ทําให้เกิดเป็นปัญญาแต่สมาธิมันจะช่วยทําให้เราคิดไปในทางปัญญาได้เพราะใจที่สงบนี้จะมีเหตุมีผลจะไม่มีอารมณ์แต่ถ้าใจไม่ไ ม, มีสมาธิมันจะคิดไปในทางอาคติคิดไปในทางกิเลสนูกเราผิดมันก็ยังไม่ผิดแต่ถ้าคนอื่นผิดนี่ผิดแต่ทอเป็นนูกเราไม่ผิดก็แล้วมันจะมองไม่ไม่มไม่เที่ยงธรรม แต่ถ้าพอใจสงบแล้วเนี่ยมันจะเที่ยงธรรมจะเป็นลูกเราหรือเป็ดไครมันผิดก็ผิดเหมือนกันใช่ไมมันจะเห็นต่างกันวันนี้ทางบ้านเข้ามาเท่าไหร่เลยวันนี้สูงสุด323ค่ะอือสบเกี่วกว่าสิบกวกว่ามีคำถามไห ม, มอ้าวสักหน่อยอยังเหลือประมาณสักสิบห้านาที คำถามจากคุณพดทวนถ้าคนที่ทำสมาธิจนบรรลุ ข, ขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจิตตอนตายและหลังความตายจะเป็นอย่างไรคะก็แล้วแต่ว่าเวลาตายนั้นจิตเข า, เามีสติมีปัญญามีอะไรควบคุมเขาให้สงบหรือไม่สงบคือบางทีเวลาเราทำสมาธินี่มันจะสงบเฉพาะตอนที่เราทาสมาธิ พอเรา อ, อกจากสมาธิมาพอเราไปเจอเหตุการณ์เอบางทีเราก็อาจจะไม่สามารถรักษาให้มันสงบเหมือนที่เราอยู่ในสมาธิได้แ้่มันจะเป็นอะไรก็ต้องเป็นไปตามที่มันเป็นอยู่กับเหตุการณ์นั้นก็ขึอยู่กับกําลังของสติสมาธิปัญญาของแต่ละคนว่ามีมากมีน้อยถ้ามีมากมันก็จะรักษาใจให้สงบได้มากถ้ามีน้อยก็จะทําให้สงบได้น้อย แล้วถ้าสงบมากมันก็ไปสวรรค์ที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าสงบน้อยมันก็ไปสวรรค์ที่ต่ำกว่าหรือถ้าวุ่นวายมันก็ไปอบายคงถามจากคุณอมพรเห็นข่าวพระเอาอาหารคนบินทบาทไปเททิ้งถังขยะแล้วเอาแต่ปัดใจมีคนแสดงความคิดเห็นไปต่างๆนานาพระอาจารย์แนะนำวิธีคิดกับเรื่องนี้หน่อยคะ่ะ ก็คิว่ามันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเลยคำ <laughs> ถามจากคุณนัทนานเคยบอกถวายร่างกายแด่พระพุทธเจ้าแล้วได้คันนี้กาสมาธิอยากได้อีกไม่ได้เลยทําอย่างไรเจ้าค ะ, ะถวายอกีกส <laughs> <laughs> ิคำถามจากคุณซีริเทนการปล่อยปลาจากการที่ซื้อปลาจากที่ขายตลาดสด แล้วนำไปปล่อยซึ่งมีพี่ท่านหนึ่งแจ้งว่าเราไม่ควรไปตัดวงจรชีวิตของเขาเพราะปลาที่ขายในตลาดก็เพื่อมาเป็นอาหารของเราแต่เรากลับไปซื้อมาปล่อยในแม่น้ำซึ่งไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะรอดหรือไม่เราควรพิจารณาเรื่องการซื้อปลาในตลาดสดมาปล่อยอย่างไรเจ้าคะดีแล้วล่ะถ้าเราเป็นปลาเราจะเลือกเส้ย่งไงบ้างนะมีคนมาซื้อเราไปปล่อยกับมีมีคนซื้อเราไปกินเนี่ยใช่ไ อย่างน้อยไม่ปล่อยถึงแม้ว่าโอกาสจะรอดไม่รอดมันก็ยังดีกว่าไม่รอดเลยถ้าเขาขายแล้วเาไปเอาไปฆ่ า, าไปกินเขาก็จะไม่รอดเลยบางทีเราต้องคิดถึงตัวเราบ้างถ้าเราเป็นเขาเราจะคิดอย่างไรบางคนคิดไม่ถูกไปคิดว่าเป็นวงจรของเขาเป็นกรรมของเขาใช่แต่บางทีเขาก็มีบุญบางทีเขาก็มีบุญเก่าอยู่แล้วบุญเก่าก็จะมาช่วยรักษาชีวิตเขาไว้ก็ได้ เพราะนั้นถ้าเห็นคนเขาทําบุญอย่าไปขัดขวางเขควรยานโนโมธนาจะดีกว่าเห็นคนเขาไปซื้อปลามาปล่อยแทนที่จะไปบอกว่าอย่าทาเลยนี่ไม่ถูกเพราะมันเป็นบุญน่ะคนทําก็ได้ความสุขคนที่ปลาก็ได้รับความสุขได้ชีวิตของเขาเหมือนเวลาที่เราไปเหมือนไปเหมือนเหมือนเวลาที่เขามีพระราชทานอภัยโทษเนี่ยคนติดคุกติดตารางออกมา เราก็ไปบอกอยากทําทเลยต้องให้มันอยู่ต่อไปมันไม่ถูกใช่ไหมบางทีมันถึงเวลาที่เขาจะกรรมเข้าหมดบุญเข้ามาเขาก็ไปยังเรื่องเหล่านี้ไม่ควรที่จะไปะไปขัดขวางเขาบอกให้อนุมโมทนาแล้วคนที่อนุมโมทนาก็จะมีความสุขไปด้วย อ, อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นวิชาที่ถิ่ถ่านรุนแรงเลยนะอะใช่ออ คำถามจากคุณสัตย์พรขอเรียนถามเรื่องอานาปานาสติว่าต้องทําอย่างไรครับก็ให้มีสติดูลมหายใจเข้าออกดูที่จุดเดียวที่ปลายจมูกก็ได้หรือที่หน้าอกก็ได้เวลาหายใจเข้าก็รู้ตรงจุดนั้นถ้าดูที่ปลายจมู ก, กให้รู้ตรงจุดนั้นไม่ต้องตามลมเข้าตามลมออกถ้าดูที่หน้า อ, อกก็ให้รู้ว่ามันยุบแล้วมันพองเข้าไปก็พองออกมามันก็ยุบ ไม่ต้องพูดคําว่ายุบหน่อพองหนอก็ได้ให้รู้เฉยๆ <Yeah. S 1> แล้วก็ไม่ต้องไปบังคับลมลมจะหายใจสั้นหรือยาวก็ให้มันเป็นไปตามความจริงเราดูเฉยๆอย่าไปหายใจบังคับให้มันหายใจลึกๆหายใจยาวๆอันนี้ไม่ไม่ใช่เป็นวิธีนั่งดูลมดูลมต้องดูเฉยๆอย่าไปควบคุมบังคับลมลมจะยาวก็รู้ว่ายาวลมจะสั้นก็รู้ว่าสั้น ลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมลมลเก็รู้ว่าละเอียดลมหายไปก็ให้รู้ว่าหายไปไม่ต้องตกใจให้รู้เฉยๆสามดายที่มีความรู้อยู่นี้ไม่ตายแล้วจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเองคำถามจากคุณลีลาวดีเดินจงกรมตอนตีสี่เวียนหัวเคลื่อนไส้ทุกครั้งมีวิธีแก้อย่างไรคะ ก็ไม <laughs> <laughs> ่รู้เหมือนกันมันต้องหาสาเหตุนอว่ามันเป็นเพราะอะไรท้องหรือเปล่าหรือว่าขาดอาหารไปหาหมอไปหาหมอดูบ้างคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครัอาจารย์คะที่น้องเขาฝึกมาท้าทายความกลัวมากต้องมีสมาธิระดับหนึ่งก่อนจะไปฝึกใช่ไหมคะ แต่ถ้าผ่านได้น่าจะได้โสดาบันเลยไหมคะเพราะไม่กลัวตายกลัวจิตก็ใกลเคียงอ่ะถามหน้าคนอยู่สิกลัวไหมไม่กลัวเวลาไปฝึกโดยที่ไม่รู้ว่าต้องไปนั่งพอนรั้วต้องไปนั่งหน้าศพก็ไม่กลัวเลยก็ที่ได้กลัวแต่หลางจากนั้นมันก็ไม่กลัวกลัวแบบกลัวผีไม่ใช่ตอนที่วัที่กลัวหมายครามตอนที่ได้ยินว่าจะต้องไปนั่งะใช่กลังวลค่ะกลางมลแล้วกลัวผีอย่างเดียวแต่ก็ไม่ยอมถอยค่ะทําไมนะ ูอยากรู้อยากรู้อม่มีรถจับบ้านใชไหมเพราะให้สัจจะไว้ไงงานตั้งสัจจะว่าเ น, น, นี่ยการตั้งสัจจะอธิษฐานก็ดีอย่างเนี้ยแต่คนที่จิตใจโลเลยนี้มันต้องอาศัยตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะทําทสิ่งนี้พอถึงเวลาแล้วก็ยอมตายอย่างพระพุทธเจ้าาตั้งนั่งใต้คนต้นโพก็ว่าตั้งสัจจะอธิษฐานว่า ถ้าไม่ตัดสั้รู้ก็ไม่ลุกยอมตายมันถึงจะชนะกิเลสถ้าถ้าไม่ยอมตายแล้วมันจะแพ้ทุกทีคําำถามจากคุณกิศกรเราเข้าถึงจิตเดิมขณะในสิ่งแวดล้อมที่สอนเราผิดเช่นเรื่องอนัตตาเช่นเรื่องอัตต า, ออตาคุณใสคาถาเราจะเชื่อจะหลงตามสิ่งนั้นไหมครับอ๋อไม่หรอกพอเราเห็นของจริงแล้วเห็นตัวจริงของแท้ของเราว่าเป็นอะไร เราก็จะเข้าใจว่าของทุกอย่างที่เขาเชื่อกันนี้เป็นความคิดเท่านั้นเองคิดไปตามภาษาเขาเหมือนคนสมัยก่อน <c oughs> คิดว่าโลกนี้แบนอย่างนี้แต่พอเขาพิสูจน์แล้วโลกนี้กลมความเชื่อว่าโลกแบนนั้นก็ไม่มีความหมายอะไรสําหรับคนที่รู้ว่าโลกกลมแต่คนที่ยังไม่รู้เขาก็ยังอาจจะเชื่อว่าโลกแบนอยู่เหมือนกับเราเราเข้าไปถึงตัวจิตเดิมแนละ้วที่เราก็รู้ว่าตัวจิตตัวเราเป็นอะไรใครก็จะว่าเป็นอะไรเราก็ไม่สนใจนะ คำถามจากคุณสมชายถ้าชายหญิงเป็นแฟนกันอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานจะเป็นการผิดสิลข้อที่สามหรือเปล่าครับตามหลักประเพณีก็ผิดน่ประเพณีเขาต้องอต้องรับกันเห็นชอบจากบิดามารดาของทั้งสองฝ่ายมีการประกาศให้รู้ว่าเป็นคู่ครองกันแล้วก็อยู่กันแบบนักเดียวใจเดียวสามีเดียวภรรยาเดียวคำถามจากคุณย่า การดูใจตัวเองเรียกว่าเป็นการเดินปัญญาหรือเปล่าเจ้าคะก็แล้วแต่ว่าดูอย่างไรการดูใจนี่ดูได้สองเวสองแบบดูให้ดูด้วยการใช้สติก็เป็นสติคือให้ดูเฉยๆดูดูว่ามันฟุ้งหรือเปล่าคำถามจากคุณขันติพงเชื้อโรคเป็นสัตว์ในร่างกายไหมครับ เราไม่เป็นสัตว์มีชีวิตมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตแต่ไม่ได้มีดวงวิญญาณเราไม่ถือว่าเป็นสัตว์เหมือนต้นไม้ต้นไม้ก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตแต่ไม่มีดวงวิญญาณคํถาถามจากคุณป้อมลูกขอความเมตตาช่วยอธิบายพรมวิหารสีให้หน่อยเจ้าค่ะพรมวิหารสีก็คือคุณธรรมสีประการที่จะทําให้จิตใจเราอยู่อย่างนุ่มเย็นเป็นสุขและ ผู้คนที่อยู่กับเรามีความร่มเย็นเป็นสุขคือหนึ่งความเมตตาแปลว่าความปรารถนาดีต่อกันและกันอย่างปีใหม่เราส่งส้อขอซ้วันเกิดเราส่งของ ข, องขวัญไปนี่เรียกว่าเมตตาแผ่เมตตามีความปรารถนาดีให้ต่อกันละกันหรือเวลาเขาทําอะไรให้เราโกรธแล้อเสียหายแล้วยกโทษให้เขาให้อภัยเขาอันนี้ก็เรียกว่าการเป็นการมีความเมตตา กรุณาก็ให้มีความสงสารเวลาเห็นผู้อื่นเขาตกทุกข์ได้ยากลําบากเด mm hmm. ือดร้อนเราช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือไป mm hmm. กรุณามูดิตาก็คือเวลาคนอื่นเขาได้ดีบได้ดี mm hmm. ก็ยินดีกับเขาอย่าไปอิจฉาริษยา mm hmm. แล้วข้อสุดท้ายอุเบกขาก็คือถ้าเราไม่สามารถทําอะไรใ ห, ใ, หให้เมตตาเขาเขาก็ไม่รับให้กรุณาเขาก็ไม่รับ ไอมูติตาเขาก็ไม่รับเราก็ต้องทำใจเฉยๆอุเบกขาอยากไปเสียใจอยากไปน้อยใจอยากไปโกรธเขา<ม>คิดว่าเขาไม่อยากจะคบค้าสมาคมกับเราก็แล้วกัน<ม>ก็ทำใจอุเบกขาไป<ม>นี่คื อ, อพรหมวิหารสี่เรียกว่าเมตตากรุณามูติตาอุเบกขากายมีพรหมวิหารสี่นี่ก็จะเป็นเหมือนพรหมเพราะจิตจะสงบอยู่ตลอดเวลา อ, อคอนคำถามจากคุณเต้สมาธิอบรมปัญญากับปัญญาอบรมสมาธิต่างกันอย่างไรครับคือตามหลักเนี่ยการจะเจริญปัญญาได้ต้องมีสมาธิก่อนเพราะถ้าไม่มีสมาธิจิตจะวอกแวกจิตจะไม่ตั้งมั่นจิตจะไม่คิดกับด้วยเหตุด้วยผลจะคิดคิดไปตามอารมณ์ก็จะไม่สามารถคิดให้เกิดปัญญาได้จึงต้องมีสมาธิก่อน แต่ในกรณีที่จิตบางชนิดเนี่ยทำสมาธิด้วยการเพ่งไม่ได้เช่นดูลมไม่ได้พุทโธไม่ได้ก็ให้ใช้ปัญญาเช่นเวลานั่งแล้วจิตฟุงรร้งซ่านกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เอาปัญญามาพิจารณาตัดความฟุงรร้งซ่านถ้าตัดความฟุงรร้งซ่านได้จิตกลับมาเป็นปกติก็เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิพอจิตเป็นปกติแล้วก็มาทําจิตให้นิ่งต่อไปให้เป็นสมาธิ แล้วหลังจากออกสมาธิมาก็มาเจริญปัญญาต่อคือการทำทำสมาธิมีสองแบบแบบเพ่งแบบพุโทโธอันนี้เรียกว่าใช้สติ อ, อ, อ, อีกวิธีนึงก็คือใช้ปัญญาเพ่งแล้วก็ไม่สงบพุโทโธแล้วก็ไม่สงบยังกัวงวลกับเรื่องแฟนอยู่ก็มาพิจารณาเรื่องแฟนตัดแฟนให้ได้พอตัดแฟนได้เห็นว่าแฟนเป็นตายรักห้ามเขาไม่ได้เขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขา ใจก็สงบเป็นปกติก็กลับมาดูลมต่อได้<ม>ก็เรียกว่าปัญญาอบร ม, ม, มสมาธิคือปัญญาอบทํทำหยุดความฟุ้งซ่านต่างๆที่ที่ทำให้เราไม่สามารถนั่งสมาธิกันได้แต่ในงานก็ต้องมีสมาธิก่อนถึงจะไปสู่ปัญญาที่จะเป็นวิปัสสนาได้ปัญญาที่เป็นวิปัสสนาก็คือปัญญาที่จะไปละสังโยชนิปรการสังโยชนี้จะเป็นตัวที่จะทาให ที่ขัดความการบรรลุปเป็นพระอริยบุคคลมีสิบข้อมีวิจิกิจฉามีสกายทิฏฐิมีศีลพัตตาปรมาตถ์้าละสามข้อนี้ได้ก็จะเป็นพระสวัสดามันแล้วอีกสองข้อก็คือการมาราคะกับปฏิคะถ้าทําให้เบาบางลงไปก็ได้เป็นขั้นที่สองเป็นพระสกิรดาคามีถ้าทําให้มันหมดไปได้ก็เป็นพระอนาคามี แล้วก็เหลือสังโยชนีกาข้อที่เรียกว่ากรารรูปราคะอรูปราคะอุทจจะามานะแล้วก็วิชาถ้าละสังโยชน์ทั้งหมดนี้ได้ก็จะบรรลุเป็นพาาาระอรหันต์นี่คือปัญญาที่จะมาละสังโยชน์ต้องใช้ตรลกต้องพิจารณาทุกอย่างว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราก็จะสามารถละ